บทที่9เก้าเวลาตั้งแต่บ่ายของวันนี้เวลาเดียวกับที่ระพินเริ่มแก้ไขพิดแมลงมุมหกขาให้แก่คริสตินา่าอันคณะทั้งหมดพแกแรมกันอยู่บนยอดเขาอินซีเนื้อชายฝั่งทะเลสาบใหญ่มันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คณะเชษฐาวราริศมาติดชงะงักไม่บังอาจตัดทางเข้าไปในช่องถ้ำใต้ภูเขาซึ่งปรากฏเห็นเป็นรอยไหมเกรียมไปหมดด้วยความร้อนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้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 ทั้งคณะจึงจำต้องเดินอ้อมเลาะลัดไปตามไหล่เขาสลับไปกับป่าหินวนเวียนโคดเคี้ยวไปมาประเดี๋ยวมีท่าว่าจะไต่ขึ้นสูงประเดี๋ยวก็ทิ่มลาดลงต่ำไปสู่แอ่งอันมีลักษณะเหมือนหุบครั้งแล้วครั้งเล่ามีดารินเวราริษสะกดตามหลังเจ้าด้วนซึ่งเดินนำดุมดมให้เห็นระยะที่ไม่ห่างออกไปเท่าใดนะักระหว่างนี้ทุกคนจำเป็นต้องฝากความหวังไว้แก่เจ้าด้วนชั่วคราวในเส้นทางเบื้องหน้า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 นานๆจะมองเห็นต้นไม้ย่อมๆชนิดที่รากเกาะติดกับหินขึ้นโผล่แซมอยู่เป็นกลุ่มๆตามแนวหินผาสองฝั่งทางสักครั้งนอกนั้นล้วนแต่โขดผาศิลารายรูปร่างลักษณะแปลกๆอันเป็นฝีมือธรรมชาติเสกสารไว้ทั้งสิ้นความที่เคยผ่านพื้นภูมิประเทศชนิดนี้มาก่อนแล้วจนเจนตาในการเดินทางประจนภัยครั้งก่อน ไม่ทำให้ทุกคนในคณะมีความทึ่งหรือประหลาดใจอะไรเป็นพิเศษทั้งสิ้นนอกเหนือประการเดียวคือความระวังเตรียมตัวรับภัยที่อาจโผล่จู่โจมออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ชนิดไม่มีสิ่งใดมาประกันตะวันอ่อนชายลงไปตามลำดับบ า, บางขณะลับสันเขาเมื่อผ่านเข้าทิวขุนเขาสูงที่บางอยู่ทางด้านตะวันตก บางคาะก็โปรยดวงแดงฉานสุกกล่ำลงมาให้เห็นอีกเมื่อฉากของทิวด้านตะวันตกโปร่งโลง่งสุดแต่มุมทิศทางของการเดินจะนำไปดารินเงือออกโชคทั้งกายราวกับอาบน้ำแต่ฝีเท้าของหลอนไม่ตกหรือแสดงอาการอ่อนเปลียหมดแรงเลยหลอนเดินสาวรอยเจ้าด้วนไปราวกับพรานอาชีพที่ผ่านในการเดินไพรมา น, นานนับสปีถูกแล้วหลอนไปด้วยพลังส่วนพิเศษในดวงจิต ไปด้วยพลังแห่งความรักความห่วงหาอาทรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะอธิบายได้ลักษณะการก้าวเดินไปอย่างมั่นคงคล่องแคล่วแต่ละก้าวก็ดีลักษณะของการคอยตรวจตราภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมที่ผ่านไปโดยที่ท้วนระมัดระวังก็ดีมันเป็นลนักษณะเดียว ก, กันกับจอมพรานยิ่งใหญ่ระพินไพรวันไม่มีผิดจนทาให้ทั้งเพื่อนและพี่ชายทั้งสองที่ตามหลังไปทุกระยะ โดยฟ้าจับสังเกตอยู่สุดแสนที่จับพิศวงและแทบไม่เชื่อสายตาว่าน้องสาวคนเล็กของคณะจะกลายเป็นคนกล้าวแกร่งแข็งแรงบึกบืนเกินสภาพถึงเพียงนี้หล่อนน่าจะมีอาการส่วนเซรหรือหยุดพักอันแสดงถึงความหมดแรงอ่อนเพลียบ้างนั่นเป็นความคิดและห่วงใยของพวกพี่ๆได้เปล่าเลยไม่มีอาการชนิดนั้นจะส่อให้พวกพ้องเห็นแม้แต่น้อย อนุชาผู้สืบเท้าตามหลังเว้นห่างมาพอประมาณคู่กับนานอินก็เป็นคนจริงเหมือนกันเขาไม่มีการทักท้วงห้ามปราหรือเรียกให้น้องสาวผ่อนฝีเท้าลงมารวมกลุ่มใดๆทั้งสิ้นคงปล่อยหล่อนบุกบันนำหน้าโดดเด่นออกไปตาลำพังเช่นนั้นเพียงแต่คอยสังเกตจับดูตลอดเวลาเท่านั้นเจนนานอินอดไม่ได้ที่จะกระซิบบอกว่านายหญิงเดินหน้ากลัวเหลือเกินวันนี้ไม่ยอมหยุดพากลพวกเราบ้างเลย ขนาดนั้นอินเองก็เดินป่ามาตลอดชีวิตบ่ายวันนี้ยังขาล่ากนายจะไม่เรียกนายหญิงให้ลงมารวมกลุ่มกับพวกเราหรืออนุชาสันสิษะยิ้ม น, น้อยๆขณะป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่กําลังจะย้อยเข้าตาปล่อยก็เถอะลุงอินนายหญิงมีอะไรในตัวแปลกๆที่เราคิดไปไม่ถึงเสมอในเมืองนายหญิงอาจงองแงอ่อนแอเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปแต่ในป่าและในความจําเป็นอย่างที่เราพบกันอยู่ในขณะนี้ หน้าห ญ, ญิงไม่ใช่ผู้หญิงร้อเขาอาจแข็งแรงกว่าพวกเราสรอีกก็ได้ริ เ, เดตแห่งความรักมันยิ่งใหญ่กว่ารายทั้งสิน้นเราคอยระวังหลังเขาให้ดีก็แล้วกันแถวนี้ฉันรู้สึกว่าจะเห็นร่องรอยของเสือภูเขาเพียงแต่ขาดเสียงพูดของอนุชาเท่านั้นเงาของอะไรชนิดหนึ่งกระทบแสงตะวันบ่ายจัดเป็นท่อนสีเหลืองลายพร้อยไปด้วยจุด ด, ดำก็ปรากฏวูบขึ้นบนแง่หินสูงอันมีลักษณะเป็นชงง่งอนช ง, งโง ขณะนั้นดารินเดินผ่านหินก้อนนั้นไปแล้วประมาณ19ลักษณะของมันเหมอกเตรียมกระโจนอดีตพรานชดกับครูพรานตะวัดไรเฟิลขึ้นพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณได้ร่าวกับนกกรุไอวายร้ายแห่งคุ้นเขาตัวนั้นโดดแผลวหายลงไปในบริเวณหน่หินที่อยู่เต็มไปหมดพลนลับไปจากสายตาก่อนที่ทั้งสอนจะทันลั่นายเพียงชั่วกึ่งวินาที เชษฐาชัยยันและพวกลูกหาที่กำลังเดินตามหลังมาไม่ทันเห็นเป้าหมายเห็นแต่เพียงอนุชาและนานอินกำลังยืนประทับปืนค้างอะไรเียงเชษฐาร้องถามมาเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเว้นระยะไม่ห่างกันนะักจึงพอจะร้องถามกันได้โดยไม่ต้องใช้วิทยุอนุชาไม่ตอบรีบจำพรวดพรวดตามหลังดารินผู้ยังเดินเป็นปกติไปโดยเร็วคมีแต่นานอินเท่านั้นที่ผ่อนฝีเท้ารอเชฐาและชัยยัน ที่เกือบจะเป็นวิ่งเหยาะๆขึ้นมานายใหญ่ไม่เห็นอะไรหรือตะกี้รานครูย้อนถามเบาๆไม่ทันเห็นมีอะไรหรือชายันถามเร็วปรือระคนหอบหอบแมวใหญ่แต่ไม่ใช่โค ร, งร่งร้อพวกที่มันหากินตามภูเขาสูงนะ่ะขนาดพอๆกับไอ้ดาวรูปร่างก็คล้ายๆกันเดินขึ้นมาบนยอดหินก้อนนั้นพอนาหญิงเดินคล้อยหลังไปหน่อยเดียว นานอินกับนายชดยิงไม่ทันมันโดดหลบไปเสียก่อนเบื้องหน้าห่างออกไปอนุชาคงเร่งฝีเท้ากวดติดตามหลังดารินผู้กำลังเดินดุ่มๆไปด้วยอาการปกติโดยหมายจะตามให้ทานภายในสองสานาทีนี้ให้ได้แต่ก็ไม่ใช้วิทยุหรือตะโกนเรียกใดๆทั้งสิน้นอดีต ท, ท่านทูตทหารโบกพี่ชายใหญ่จึงดึงวิทยุออกจากเอวทันทีน้อยหยุดก่อนเขาสั่งเสียงน้องสาวตอบมาทางวิทยุเช่นนั้น แต่ยังไม่ยอมหยุดขนาดนั้นทิศทางกําลังบ่ายหน้าลงเบื้องต่ำอันเคยเป็นทางน้ําหลายในเวลาฝนตกซึ่งเป็นกรวดบนลูกรังแดงอย่าเสียเวลาหยุดเลยค่ะทุกคนตามมาก็แล้วกันขณะนี้น้อยมองเห็นหุบของป่าไม้ทึบสีเขียวครึมอยู่ข้างล่างแล้วได้ดูเหมือนจะได้ยินเสียงน้ําตกขนาดใหญ่ด้วยภูมิประเทศที่เรากําลังบ่ายหน้าลงไปเป็นดงดิบแล้วเราจะลงไปใหถึงที่น่านก่อนตะวันตกดิน หล่อนตอบมาด้วยเสียงเรียบปกติดังได้ยินพร้อมกันหมดจากวิทยุทุกเครื่องที่มีติดตัวกันอยู่มีเสียงอู้ซ่าของสายน้ำตกขนาดใหญ่แววมาให้ทุกคนได้ยินจริงๆจากบริเวณที่ต่ำลงไปเบื้องหน้าจะว่าอุปทานก็ไม่เชิงแต่ความเหน็ดเหนื่อยของทุกคนทำให้หูอื้อและไม่ทันจะเงี้ยหูจับเสียงเพิ่งจะมาสำเนียกเมื่อดารินบอกขึ้นมาให้ทราบนั่นเอง น้าตกหรือป่าดิบมันไม่สำคัญหรอกแต่รู้ตัวบ้าหรือเปล่าว่าอะไรมันด่อมดอมมองมองเธออยู่ข้างหลังไม่ใช่เฉพาะข้างหลังหรอกค่ะมันซุ่มอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเพียงแต่ยังไม่โปลออกไม้เห็นถนัดเท่านั้นแปลว่าเธอรู้ตัวแล้วชายยันร้องออกมาอย่างงุนงงเราคนตกใจเฉยเฉยสงบไว้เถอะชายยันขณะนี้เรากำลังผ่านเข้ามาในเขตของเสดาภูเขามันอยู่กับเป็นฝูงทีเดียว ไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหรแต่เห็นจะไม่ต่ำกว่าเจ็ถึงสิบตัวขนาดของมันไม่ใหญ่นะแต่ถ้าพร้อมใจกันรุมโจมตีเข้ามาทั้งฝูงก็อันตรายมากฉันสวดแผ่เมตตาให้แก่พวกมันแล้วและขอเพียงแค่ผ่านอาณาบริเวณของมันเท่านั้นไม่คิดที่จะทําอันตรายอะไรมันเลยแต่ถ้าแผ่เมตตาให้แล้วมันยังไม่รับก็เห็นจะช่วยไม่ได้และเพื่อความไม่ประมาท เธอแ ล, และพี่ใหญ่เปลี่ยนจากไรเฟิลมาเป็นลูกซองออโต้หรือปัมได้แล้วเตือนพวกลูกหาให้รู้ตัวและระวังไว้ด้วยคาเสียงของดารินก็มีเสียงของอนุชาพูดแทรกวิทิลขึ้นมาอีกคนทำตามที่น้อยบอกเร็วเข้าเปลี่ยนจากไรเฟิลมาเป็นลูกซองได้แล้วทั้งพี่ใหญ่และชัยยันท่าท่าที่ยังไม่เข้าใจอะไรนะักเชษฐากับชัยยันทอยหลังไปประท้ากับพวกลูกหาที่กําลังเดินตามกันมาเป็นทิวและปฏิบัติตามที่ได้รับคําแนะนําทันที เชษฐาส่งไรเฟิลในมือไปแลกกับลูกซองบรา w n i n g อ u ต o ห้านัดจากลูกหัวหน้าลูกหาบร้อมเข็มขัดบรรจุกระสุนส่วนชายยันก็แลกเอา e รมิงตันปั๊ม28นิ้วมาจากลูกหาบอีกคนหนึ่งทั้งสองขยับลำเลื่อนตรวจ ด, ดูกระสุนที่บรรจุอยู่แล้วเตือนให้พวกนั้นเตรียมพร้อมตนเองทั้งสองก็รีบจ้ำพรวดพรวดตามหลังน้องสาวและน้องชายขึ้นไปในทันที เบื้องหน้าอนุชากวดมาทันดารินแล้วช่วยต้นแขนหมับจับให้หยุดนิ่งอยู่กับที่พี่น้องผู้ต่างคนต่างทันกันมองตาส่วนนานอินเชษฐาชา ย, ยันกําลังาพากันจับหมู่ตามาอย่างเร่งด่วนอย่าช้าจะให้มากนักน้อยพี่ชายกลางเตือนเสียงต่าๆน้องสาวคนสวยยิ้มกร้านกร้านเอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่จับพราบนขนตาประสิบเช่นเดียวกันว่าพรานชด ลอนเรียสมญานามของพี่ชายแน่จริงหรือเปล่าถ้าไม่แน่จริงฉันก็เป็นพี่ชายของผู้หญิงอวดดีที่ชื่อดารินไม่ได้หรอเตือนไว้อีกครั้งแม้เธอจะได้ถ่ายทอดวิชาสารพัดมาจากกระพิน์แต่มันก็ยังไม่มากนะัะรองอย่าทอนงไปเธอไม่รู้หรอกว่าเมื่ออึดใจที่ผ่านมาเส้นยาแดงผ่าแปะมันกระโจนขึ้นมาทางชะ ง, งอนหินด้านหลังเธอแล้วหลอนยักษไหล่กลับย้อนมาว่าเพิ่งเห็นเหรอ ช้ามากที่เพิ่งจะมาเห็นเอาอีตอนนั้นความจริงมันโผล่ทางด้านโน้ตบ้างด้านนี้บ้างรอบตัวเราเต็มไปหมดแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาละ่ะถ้าแน่จริงแล้วก็แยกมากับน้อยทางด้านนิตาลำพังสองคนไมล่ล่ะเราปล่อยให้พี่ใหญ่ชายยันลุงอินและพวกนั้นไต่ทางตามหลังเจ้าด้วดลงไปก่อนอนุชาก็แน่จริงสมกับอดีตของเขาเหมือนกัน ช า, ายตามองดูน้องสาวอย่างขมนคเมินแล้วหันมาทำสัญญาณตีมือพร้อมกับพูดกรอกลงไปในวิทยุว่าไม่ต้องตามมาที่ผมกับน้อยนี่ครับพี่ใหญ่ขอให้แยกลงตามทางด่านน้ําหลายซีกซ้ายมือน้อยเขามีธุระ ส, ส่วนตัวหน่อยและผมจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเ ด, เดี๋ยวจะตามลงไปบอกพวกเราทุกคนถ้าเห็นตัวถนัดเมื่อไหรย่ยิงทันทีนะครับและใหระวังขณะที่ผ่านแกงแง่โคดหินหรือยอดทินสูง พวกนี้จะกระโจนลงมาจากที่สูงเชษฐาและชัยยันไม่สงสารยรู้ความในอะไรระหว่างอนุชาและดารินเมื่อได้รับคำแนะนำเช่นนั้นก็หักแยกลงเส้นทางด้านซ้ายทันทีโดยมีนานอินเป็นผู้นำลงไปไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องห่วงดารินในเมื่ออนุชาอยู่ด้วยแล้วเช่นนั้นและเชื่อสนิท ต, ตามที่อนุชาวิทยุบอกมาว่าดารินคงจะมีภารกิจทางด้านส่วนตัวตามธรรมชาติพอพวกนั้นเลี้ยวขบวนแยกลงไปทางด้านซ้ายแล้ว อนุชาก็หันมาเลิกคิ้วกับน้องสาวเอาละเธอจะลองดีอะไรกับพี่มาสัญญากันก่อนตกลงไหมสัญญาอะไรถ้าพาไปให้เห็นอะไรชัดๆกับตาแล้วแล้วก็ยืนดูอยู่เฉยๆอย่ายิงยกเว้นอย่างเดียวถ้าหากมันกระโจนเข้าใส่จึงอนุญาตให้ยิงป้องกันตัวได้อดีตพรานชดจ้องหน้าเขมงอ๋อได้แต่ถ้ามันขบขอมองเธอละ นี่แหละคือสิ่งที่เราจะลองดูกันว่ากำลังใจของเราทั้งสองใครจะแน่กว่าใครถ้าน้อยบาดเจ็บหรือตายก็ปล่อยน้อยได้เลยเอาตัวพี่กลางให้รอดคนเดียวเท่านั้นเป็นพอพูดบา้บาๆเธอจะมาไม้ไหนนี่น้อยมันเป็นการทดสอบระหว่างเราสองคนในป่าใหญ่ไพรดำนี่ยังไงคะอย่างน้อยพี่กลางก็จะได้เลิกดุว่าหรือคอยห่วงกังวลกับน้อยสักทีไปคอยห่วงกังวลกับพี่ใหญ่หรือชา ย, ยัน ตลอดจนคนอื่นๆเธอตกลงกล้าพอที่จะสะพายปืนโดยแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมจะเข็นฆ่าราวีพวกมันไหมคะถูกท้าเข้าแบบนั้นอนุชาหัวร้อกแค้นๆเวียงไรเฟิลที่ถือเตรียมระวังยิงอยู่สะพายไหล่ทันทีอ๋อได้ดารินปฏิบัติตามเช่นกันไรเฟิลที่ถืออยู่ในมือตลอดระยะเวลาทางที่เดินมาสะพายไว้กับไหล่แล้ว ลอนก็พยักหน้าพร้อมกับออกเดินเลาะลัดไปตามหมู่โขดหินอันเป็นซอกแคบๆนั้นพี่ชายกลางเดินไปอย่างกระชั้นชิดกว่าตามองสังเกตไปโดยรอบพอเลี้ยวรับซอกหินที่ยืนกันอยู่แต่แรกไปได้แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นก็ดะยินเสียงขู่แฟ่เหมือนเสียงแมวขนาดใหญ่ดังแว่ออกมาเบาๆต่อมาก็เป็นเสียงคำรามดารินหันมาชายตาดูพี่ชายกลางเเม้มริบี ป, ปากแน่น ยังเดาไม่ออกว่าน้องสาวจะเล่นพิเรนอะไรได้แต่ต้องเขม่งอยู่เช่นนั้นไรเฟิลสะพายไว้กับไหลแล้วก็จริงแต่มือแตะอยู่ด้ามปืนพกจุด44แม็กนัมข้างเอวหล่อนอมยิ้มจับแขนเขาพาเดินต่อไปรับเปลี่ยมมุมหินนั่นเองอนุชาก็ยืนตะลึงข้อมือของเขาข้างที่กำด้ามจุด44แม็กอันกำลังจะชักออกมาถูกน้องสาวยึดไว้มัน่นพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆ ว, ว่าอยา่า เลือดในกายของอนิชายเย็นเฉียบแทบจะจับเป็นก้อนแข็งแต่ดารินมองไปยังโพรงของซอกหินใหญ่อันเป็นเวิร์นั้นด้วยอาการสงบนิ่งสิ่งที่เห็นเสือดาวภูเขาเพศเมียตัวหนึ่งกำลังนอนตะแคงหันหน้ามาทางบุคคลทั้งสองดวงตาของมันในเงาสลัวเขียวปราบลุกโชนราวกับฝังไว้ด้วยมรกตอ้าปากแยกเขี้ยวแดงฉานเป็นเขี้ยวแหลมโค้งทั้งล่างและบน ซุกอยู่ในซอกท้องของมันที่หันออกมาทางด้านหน้าคือลูกน้อยตัวเล็กๆขนกำลังฟูน่ารักอายุไม่น่าจะเกินสี่อาทิตย์ขนาดแมวบ้านกำลังนอนดูดนมนางแม่อยู่สามตัวในบริเวณนั้นมีกระดูกและเศษเนื้อของสัตว์ประเภทเลียงผาหรือแพะภูเขาทิ้งอยู่กลาดเกลื่อนข่าวเลือดข่าวเนื้อยังเดๆอยู่กลิ่นสาบสางโชยมาสัมผัสจมูกอย่างแรง ท่าทีของนางแม่เหมือนจะพุ่งกระจนเข้าใส่แต่มันก็เพียงแต่อ้าปากสแยะคูและนอนให้ลูกดูดนมอยู่เช่นนั้นสองตาหน้าสะพรึงกลัวจ้องเขม็งมาที่มนุษย์หนุ่มสาวซึ่งเข้ามายืนมองมันอยู่จนถึงโพรงถ้ำห่างเพียงไม่เกิน 4- ่ถึงหาวาแม้จะมีจิตใจกล้าแข็งและผ่านเผชิญกับอะไรต่ออะไรมาแล้วสารพัดบัดนี้อนุชาวราริสเงือแตกพลักยืนกายแข็งไปหมด ระยะขนาดนี้แม้แต่ปืนโฟกสั้นเขาก็ชักไม่ทันแน่หากมัญชารเข้ามาแต่น้องสาวของเขายืนสำรวมนิ่งมือทั้งสองประสานเข้าหากันในระดับเข้มขัดดูเหมือนหล่อนกำลังสงบจิตภาวนาอะไรอยู่ในใจและอึดใจต่อมาจึงค่อยๆ ย, ย่อ ก, กายลงนั่งคุกเข่ากับพื้นดีดนิ้วเบาๆแล้วสิ่งที่พรานชดไม่เชื่อสายตาก็พลันปรากฏขึ้น ลูกน้อยน่ารักราวกับตุ๊กตาของมัจจุราชแห่งขุนเขาสูงก็ผลาะจากเต้านมนางแม่เอี้ยวคอมามองทางหญิงสาวอาการของมันเหมือนลูกแมวที่มองเห็นมนุษย์อันเคยให้ความปราณีพากันผละออกจากท้องแม่ของมันคลานต้วมเตี้ยมต่อแต่เดินตรงเข้ามาหาดารินทั้งสามตัวตาของหล่อนไม่กระพริบเลยแต่ดิดมือเรียกอยู่เช่นนั้นเข้ามาไอหนูเข้ามานี่ฉันไม่มีอันตรายอะไรกับเจ้าหรอก และสำหรับเธอแม่พยักคีจงสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยมีเวรภัยใดๆต่อกันมาก่อนเลยและพวกเราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆแก่เธอลูกของเธอหรือพวกเธอด้วยนี่คือสัจจาธิฐานขณะที่ยังยืนตะลึงอนุชาได้ยินเสียงกระซิบนั้นอย่างชัดเจนแม่เสือหุบปากที่อ้ากว้างลงแล้วแต่ยังแยกเขี้ยวขาวนอนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกสะกด ส่วนลูกเล็กๆน่ารักของมันทั้งสามตัวเดินล้มลุกคลุกคลานเข้าบวนอยู่รอบกายของดารินคลอเคลีย์เอากลาเสศษสีกับเข่าของหล่อนส่งเสียงร้องเบาๆดารินประคองอุ้มขึ้นมาจูบบนหัวของมันทีละตัวลูกคลําเล่นอยู่ชั่วขณะในขณะที่แม่ยังมองมานิ่งโดยไม่ขยับเขยื่อนต่อจากนั้นหล่อนก็ผลักมันเบาๆทั้งสามตัวสั่งว่าไป กลับเข้าไปหาแม่ของเจ้าตามเดิมเหมือนจะรู้ภาษาเจ้าเสือน้อยเพิ่งจะเกิดทั้งสามตัวพละจากมนุษย์สาวเตะแต่คลานกลับเข้าไปปีนป่ายอยู่บนตัวแม่ของมันตามเดิมแต่ยังไม่ไวายหันหน้ามามองดูหลอนดารินลุกขึ้นยืนตรงแล้วจับมือพี่ชายก้าวถอยหลังช้าๆโบกมือให้ลาก่อนพยักขีและลูกน้อยทั้ง3เจ้าและข้ามีเลือดเนื้ออันเดียวกัน เป็นสัตว์ร่วมโลกร่วมปัตพีเดียวกันขอให้จำเริญสูกตามอัตภาพเธอเราเพียงแต่ขออาศัยผ่านแดนมาเท่านั้นเสียงคำรามในลำคอของแม่ซึ่งใหญ่ขนาดหมาอารเซเชียนเบาๆครั้งหนึ่งแล้วมันก็ก้มลงเลีย้ยลูกทั้งสามตัวโดยไม่แสดงอาการสนใจอะไรกับหล่อนและอนุชาอีกราชสกุลสาจูงมือพี่ชายกลางกลับออกมาจากตาแหน่งที่เคยยืนอยู่กันที่เดิม อนุชา ย, ยังคงมองน้องสาวตาค้างอยู่เช่นนั้นสบัดหน้าเร่าๆขาจัดความมึนงงน้อยเขาครางออกมาแหบๆหล่อนยกมือแตะริมฝีปากไม่ต้องพูดอะไรอีกค่ะและเก็บเรื่องนี้ไว้เสียไม่ต้องไปพูดให้พี่ใหญ่ชายยานหรือใครได้ยินเปน็นอันขาดพวกเราที่ล่วงหน้าไปก่อนจะถูกพวกมันโจมตีไหมนี่รับรองว่าไม่ค่ะน้อยทาได้ยังไงนี่ในสิ่งที่น้อยพาพี่ไปให้เห็น น้านอินที่ว่าเก่งกาจนักเคยทำอย่างนี้ได้ไหมคะดารินกลับย้อนถามมาบาแผ่วเบาไม่มีทางแต่เธอค่ะน้อยทำได้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีสติพร้อมอยู่ในตัวเช่นนี้น้อยเห็นน้อยรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วครั้งแรกมันจะเล่นงานเจ้าด้วยของเราซะ ด, ด้วยซ้าแต่เมตตาจิตที่น้อยแผ่ให้ทำให้มันไม่เข้ารุมทาอันตรายใดๆกับช้างของเราพี่กลางก็รู้อยู่แล้ว เผื่อประเภทนี้หลายๆตัวกระโดดเกาะหลังช้างกัดตะกุยจนทะลุหลังแล้วลงไปกินเครื่องในจนช้างล้มมันอยู่กันเป็นฝูงมันล้มสัตว์ใหญ่จับมาเป็นอาหารได้ทุกชนิดนั่นแหละพวกเราถ้าเปิดศึกกลับมาในทิน่นี้ถึงเราจะยิงตายหมดแต่อย่างน้อยคนของเราก็จะต้องเจ็บและตายกันบ้างไม่คนก็สองคนเพราะมันจะหลบซ่อนตามที่ลับตาแล้วกระโจนเข้าขยา่ำโดยเราป้องกันไม่ทัน แต่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วค่ะไปเดินตามพวกนั้นไปได้แล้วเดี๋ยวเป็นห่วงแย่สองพี่น้องออกเดินไปได้วยกันตามหลังหมู่คณะที่เห็นล่วงหน้านลิบลิบลงไปก่อนแล้วอนุชาเอามือขยี้ปลายจมูกเขาไม่อาจเข้าใจน้องสาวของเขาได้เลยพี่อยากรู้ว่าน้อยทําได้ยังไงในสภาพที่พี่เห็นนั่นบอกได้ไหมรับผินหรือที่เป็นครูสอนเธอดารินสันสีษาช้า รับพิญจะสอนแต่เฉพาะวิธียิงสัตว์เดินป่าและแก้อาถรรพ์เท่านั้นค่ะและก็เป็นการสอนขั้นประถมเท่านั้นเรียนจากเขายังไม่ถึงขั้นมัธยมต้นเวยซ้ำแต่มหาฤาษีโกนธัญญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวน้อยขณะนี้ต่างหากที่เข้ามาดนจิตโดนใจสอนให้น้อยควรทำอย่างไรบ้างคราวนี้พี่กลางพอจะเชื่อมั่นวางใจในตัวน้อยได้หรื อ, อยังคะว่าถึงอย่างไรกลางป่าทุกพนทุกแห่ง น้อยเอาตัวรอดได้เสมอขณะ น, นี้น้อยยึดมั่นอยู่อย่างเดียวคือเมตตาต่อทุกสรรพสัตว์จะไม่เบียดเบียนทําร้ายเว้นไว้แต่ประการเดียวถ้าแผ่เมตตาแล้วไม่รับยังจะเข้ามาราวีอีกก็ต้องถือว่าเคยมีเวรกรรมกันมาก่อนซึ่งก็ต้องแก้ไขไปตามแต่จะเห็นสมควรอนุชาโอบแขนไปกอดน้องสาวไว้แน่นพยักหน้าลงพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอง น้อยมีบารมีจากกูรูลจิตและทานที่ตั้งมั่นไว้แล้วเป็นอำนาจทางจิตที่ยิ่งใหญ่มากพี่แทบไม่เชื่อสายตาเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตหรือฝันไปแต่มันก็เป็นความจริงเอาละ่ะเมื่อน้อยมีตาบะชานถึงขนาดนี้แล้วพี่ก็สบายใจขึ้นมากทีเดียวและหมดกังวลไปเกือบหมดบอกตามตรงยอมแพ้น้อยไม่คิดที่จะเอาแพ้เอาชนะพี่กลางหรือใครทั้งสิ้นเลยค่ะ ก็บอกแล้วยังไงว่าอยากจะให้พี่กลางไว้วางใจน้อยเท่านั้นและบอกไว้ก่อนเลยถ้าแม้ว่าเกิดเหตุภายฉุกเฉินอะไรขึ้นหรือน้อยมีอันเป็นปลายต้องพลัดพรากสูญหายไปก็อย่าห่วงให้มากนะคอยปลอบใจพี่ยายและชัยยานตลอดจนพวกเราทุกคนไว้ด้วยถึงอย่างไรน้อยก็จะต้องรอดปลอดภัยเสมอที่ไม่แน่ใจก็มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นเสียงของหล่อนพรา่าเครือลงกลายเป็นกระซิบเหมือนรำพึงกับตนเองว่า นั่นก็คือน้อยจะตามระพินได้พบหรือไม่หรือทันการหรือไม่เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปิดทางในด้านนี้สำหรับน้อยทั้งหมดไม่ยอมให้ข่าวอะรเลยทั้งสิ้นมันมืดมิดเหลือเกินพี่ชายกอดแน่นเข้ามาอีกทำใจดีๆเข้าไว้ทำใจให้แน่วแน่มั่นคงเหมือนตอนที่น้อยเข้าไปพบกับแม่เสือตัวนั้นจนถึงถ้ของมันพี่รับรองว่าเราจะต้องได้ข่าวเขาแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว และน้อยต้องทำใจให้ได้สมมุติว่าเราตามไปพบเขาในสภาพที่หาชีวิตไม่แล้วหล่อนฟื้นยิ้มทั้งน้ำตาคลอค่ะน้อยทำใจไว้แล้วและรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เรามันไม่สมหวังไปหมดเซทุกสิ่งทุกอย่างร้องขณะนั้นเองก็มีเสียงเรียกวิทยุมาจากพี่ใหญ่สองคนนั่นเร่งฝีเท้าหน่อยเราพบดงดิบและหน้าผาน้าตกขนาดใหญ่คอยอยู่เบื้องหน้าแล้ว เป็นน้ำตกแหล่งที่ใหญ่และสวยงามที่สุดน้ำตั้งแต่เราเคยเดินป่า ก, กันมาไหลลงมาจากเทือกเขาสูงลิฟข้างหน้าเจ้ามักคุเทศหางด้วนของน้อยนำทานได้วิเศษสุดมันนำเรามาพบกับแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งน้ําพืชและสัตว์เรากําลังตามไปเดี๋ยวนี้ครับพี่ใหญ่แต่ขอทราบเห็นวิวแววของเสือภูเขาอีกบ้างไหมมันติดตามไปบ้างหรือเปล่าอนุชาร้องถามลงไปในวิทยุมือถือของเขา ไม่มีเลยแม้แต่เงาไม่โผลไม่เห็นสักตัวตอนนี้เราสองกล้องมองเห็นแต่ลิงข้างชนีและนกสารพัดชนิดไม่น่าเชื่อเลยว่าจากสภาพอันแสนจะ ก, กันดานแห้งแล้งจะมีป่าอุดมสมบูรณ์ซ่อนอยู่ข้างล่างแต่มันก็น่าระแวงภายอยู่เหมือนกันเชษฐาตอบขึ้นมาอย่างยินดียังมองเห็นเจ้าด้วนอยู่อีกไหมคะพี่ใหญ่ดารินถามลงไปบ้างตอนนี้มันหายไปแล้วสงสัยจะเข้าไปหาอาหารกินในป่าล่าง มันเองก็ต้องการน้ำและอาหารเหมือนกันแต่มันก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วรีบหน่อยใกล้ค่ำเต็มทีเวลาไม่คอยท่าแล้วสองพี่น้องเร่งฝีเท้าติดตามคณะลงไปโดยเร็วทิ้งแสงสุดท้ายของทวาการจะรับสิ้นไปนานอินกำหนดที่วางแคมไว้เรียบร้อยแล้วโดยเลือกชัยภูมิอันคิดว่าเหมาะที่สุดตามความชำนาญของแกห่างออกจากบริเวณเส้นทางน้ำตกพอไม่ให้เสียงน้ำที่ไหล พระถังลงมาเหล่านี้ดังอื้ออึงเกินไปนักเพราะเท่ากับเป็นการกลบเสียงอื่นๆที่จะเกิดขึ้นด้วยและบัดนี้คณะฝ่ายนายจ้างทั้งหมดกำลังยืนแงนสำรวจดูภูมิประเทศใหม่อันมาพบเข้าอย่างไม่คิดล่วงหน้าลักษณะของมันแปลกมากเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกคนพบเห็นกันมาแล้วในป่าต้นทางมาจากเบื้องสูงมาก เป็นช่องชั้นลิบปลิวขึ้นไปโดยล้าผ่านแอ่งที่คอยรองรับอยู่เป็นชั้นๆนับแทบไม่ท่วนเมื่อส่องกล้องสำรวจสูงขึ้นไปไเรื่อยๆละอองไอ้น้ำขาวมัวไปหมดเหมือนเป็นแม่น้ำทั้งสายที่ไหลผ่านลงมาจากภูเขาโดยกระโจนลดต่ำลงมาเป็นลำดับและดูเหมือนจะมีทิศทางแยกออกไปหลายสายเมื่อก่อนจะมาถึงลาธารชั้นล่างสุดซึ่งจะลายแยกเป็นเส้นธาร ก้วยละหานมากมายหลายแควขณะที่มายืนส่องกล้องกันดูอยู่บนแท่นหินใหญ่เนื้อลำธารอันกำลังไหลเชี่ยวกรากเป็นเกลียวอยู่นั้นละอองน้ำจากเบื้องบนที่แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วทำให้เกิดอาการเย็นฉ่ำและเปียกชื้นกันไปหมดความร้อนระอุผะพาวที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นตรงข้ามและทาท่าจะกลายเป็นความหนาวเย็นขึ้นในทันที บริเวณโดยรอบใกล้เคียงเต็มไปด้วยเครือเถาวัลย์พันไม้น้ำกล้วยไม้พันต่างๆออกดอกสะพรั่งสวยสดงดงามทั้งดอกและใบซ้ำยังมีดงกล้วยป่าบางชนิดออกเครือทั้งยังดิบและสูกรื้ออารามมีรอยนกจิกกินอยู่ในชายดงฝั่งตรงข้ามลึกเข้าไปอีกเป็นป่าดึกดำบรรพ์ทึบทะมึนเขียวคลึ้มไปด้วยยอดไม้สูงแบบดงดิบ ลวนแล้วแต่ไม้ใหญ่มีอายุอย่างตามก็สองถึงสามร้อยปีขึ้นไปทังสิน้นสำหรับกุ้งที่มีลำต้นสูงชะรูดเหล่านั้นชนีโวกโวยข้างกูตะอคอกโครกครากและไล่กันอยู่ตามกิ่งไม้สูงไหวยวบยาบรอบด้านไปหมดพีเสื้อและนกห ล, กหลากหลากสีเป็นส่วนประกอบของบริเวณทั่วไปแก่งแง่โคดหินรอบตัวกระทบปลายแดดผีตาคว้าอม เป็นประกายราวกับเพชรนินจินดาแลสูงขึ้นไปบนตะพักแอ่งน้ำชั้นที่มีน้ำกระโจ์ลงมาแดงสะพรึบไปด้วยม้ไฟป่าหรือผลไม้ป่าที่อาจจะกินได้และกินไม่ได้สลับสีสันงามลานตาไปหมดเหมือนทุกคนมายืนอยู่เบื้องหน้าของฉากอันประดับด้วยวอลเปเปอร์ชนิดที่วาดลวดลายไว้เป็นไพรเถือนพงคึก สำหรับปิดฝาผนังเพื่อสร้างบรรยากาศภายในตึกคอนกรีตกลางกรุงระหว่างที่ขยินคุมพวกลูกค้าจัดเตรียมที่พักและก่อฟืนหุงหากลุ่มนายจ้างทั้งหมดและนานอินยังคงยืนสำรวจพิจารณาบริเวณน้ำตกขนาดใหญ่นั้นโดยยืนเรียงรายแยกกันอยู่คนละมุมใช้กล้องส่องสำรวจไปทั่วๆเบื้องสูงขึ้นไป และเชษฐาก็ชูมือขึ้นสูงดีดแรงๆหลายครั้งเรียกให้พักพวกที่แยกย้ายการสำรวจอยู่ยังมุมต่างๆให้เข้ามารวมกลุ่มลุงอินเคยผ่านมาพบแหล่งน้ำตกใหญ่บริเวณนี้ก่อนหรือเปล่านั่นเป็นคำถามแรกของหัวหน้าคณะที่มีไปยังครูพรานเคยนะใหญ่นานอินก็ตั้งใจจะพาทะลุถ้ำที่เราพยายามจะเข้าไปเมื่อตอนบ่ายนี้จะตัดทางออกมาที่นี่แหละแต่เราเข้าไปไม่ได้อย่างที่เห็นแล้ว ไอ้ด้วนมันพานเลาะลัดมาตามร่องเดินเขาจนมาถึงที่นี่ได้เหมือนกันแปลว่าเราไม่ผิดเป้าหมายที่เจตนาจะมุ่งหน้ามาตามแผนเดิมของลุงน่ะสิชายยันถามสวนมาโดยเร็วครูพรานสั่นศรีรษะไม่ผิดนายทหารเพียงแค่ผิดกันคนละเส้นทางเท่านั้นน้านอินจะพามุดถ้ำแต่มุดมาไม่ได้เพราะมันร้อนจัดผิดปกติไปมาก น้าหญิงให้ไอ้ด้วนนำเราก็เดินตามมันมาส่งเดชเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเรื่องแต่มันก็นำมาตรงกับที่นานอินต้องการมาให้ถึงก่อนข้ามวันนี้แหละแล้วแกก็ชี้มือไปทางด้านหลังก่อนที่เราจะลงมาถึงใต้น้ำตกใหญ่นี่ตรงภูเขาถิ่นของไอ้ดาวฝูงนั้นตามลงไปอีกสักลูกเขาหนึ่งจะเป็นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นทางออกถ้าเรามุดกันเข้ามาอย่างที่วางไว้ครั้งแรก กลางเคยผ่านมาที่นี่พร้อมกับลุงอินบ้างไหมสมัยก่อนนี้พี่ชายใหญ่หันมาถามน้องชายอดีตนักเดินโดงของเขาไม่เคยครับครั้งก่อนผมกับลุงอินไม่เคยผ่านมาทางนี้ลุงอินคงจะผ่านมาตามลาพังเพราะแกบุกอยู่ในนรกดำนี่นานก่อนที่จะมาเดินอยู่กับผมมันแปลกมากในความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศอย่างกะทันหันแค่ไม่กี่สิกิโลเมตรมานี่เอง เรายังเดินก็นอยู่ท่ามกลางภูเขาแห้งแล้งมีลักษณะเป็นภูเขาไฟแต่จูๆ่ๆพอพ้นทิวเขาอันร้อนอย่างมหาการเหล่านั้นก็พบกับป่าดิบอันชุ่มชื่นต่อเชื่อมกันเลยแต่ก็นั่นแหละนรกดํามีอะไรที่ประหลาดประหลาดไม่น่าเชื่อเสมอเชิดฐาเนเงยเอ่ยมองละสูงขึ้นไปยังยอดของทิวเขาเบื้องบนอันแทบจะยันเมฆนั้นอีกครั้งอย่างใคร้ครวนพึมพำเบาๆ ว, ว่า ตรงที่เรามายืนกันอยู่นี่มันก็ยอดเขาอยู่แล้วแต่ยังมีสูงซ้อนขึ้นไปอีกจนคำนวณไม่ได้มีแอ่งของน้ำตกที่รองรับกันอยู่เป็นชั้นๆ น, นับไม่ถวนลดหลั่นกันลงมาเป็นลำดับทีเดียวเดินกับระพินกราวก่อนนั้นก็ไม่เคยพบแหล่งน้ำตกที่ใหญ่ถึงขนาดนี้ตามปกติแล้วน้ำตกมันควรจะเป็นไปตามฤดูกาลถ้าฝนชุกตกบนยอดเขามากๆน้ามันก็จะไหลแรง ได้สังเกตตลอดระยะเวลาที่เราเดินมานี่ไม่เคยปรากฏฝนมากมายเลยมีแต่ความแห้งแลง้งแต่น้ำที่นี่ดูเหมือนจะไหลแรงตลอดการไม่มีที่สิ้นสุดมันมาจากไหนกันนี่ราวกับแม่น้ำทั้งสายไหลลงมาจากภูเขาเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งบนยอดสูงสุดของเทือกนี้มีทะเลสาบอยู่บนนั้นและมีฝนตกอยู่บนเทือกสูงนั้นตลอดเวลา ดารินรีตาคิดขณะที่พูดเหมือนรำพึงก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะจากสายตาที่คำนวณดูนี่พี่ชายใหญ่เว้นระยะไปชั่วอึดใจจากยอดเขาเป็นแหล่งที่มาของกระแสน้ำกับตำแหน่งที่เรายืนนกันอยู่นี่่างกันนับสิบสิบกิโลเมตรทีเดียวน้ำไม่ได้ไหลลงมาในแนวดิ่งตรงแต่ไหลละลงมาเรื่อยๆจากยอดที่ห่างลิบๆออกไปโน่น มันอาจมีทะเลสาบใหญ่อันเป็นที่มาของกระแสน้ำเหล่านี้อย่างน้อยว่าก็ได้ถ้าจะพูดถึงหลักภูมิศาสตร์มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นชัยยันว่าใต้ทะเลหรือมหาสมุทรยังมีภูเขาได้เพราะฉะนั้นบนยอดเขาสูงสุดก็น่าจะมีทะเลได้เหมือนกันตามหลักฐานตำนานของโลกพระเคาะห์ดวงนี้แม้แต่ยอดฮีมาลัยก็เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทร มิฉะนั้นนักสำรวจก็คงไม่ขุดพบเปลือกหอยสังบนยอดทิมาลายร้ออย่าไปมัวคิดค้นสนใจะอะไรกับมันเลยเราพบแหล่งน้ำพบป่าอันเต็มไปด้วยสัตว์และพืชพันธ์ภายหลังจากผ่านความแห้งแล้งมาตลอด<พ> ก, ก, ก็น่าจะพอใจแล้วว่าแต่มาคิดกันถึงบริเวณที่เราจะพักนอนกันคืนนี้ก่อนเถอะว่ามันจะปลอดภัยเพียงพอไหมจากภัยที่จะมาในทุกรูปแบบ อดีตพรานชดหันไปซุบซิบหาหรืออะไรกันอยู่กับพรานเท่าคู่ใจยอยู่พักใหญ่ก็หันมาบอกกับทุกคนว่าไม่มีอะไรจะมารับประกันให้ได้ทั้งนั้นแต่เราก็จะพยายามระมระวังตัวเองอย่างมากที่สุดอันถือเป็นหลักปฏิบัติกันมาแล้วโดยตลอดสำหรับลุงอินให้คำรับรองแต่เพียงว่าตําแหน่งวางแคมป์จะให้ความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่แกจะหาได้ในแถบนี้รวมทั้งถ้าเกิดแจ็คพอน้าตกมันหุ่งแทงลงมาม า, มากๆ แบบเดียวกับเกิดน้ำป่ากระทันหันในตอนกลางคืนเราก็ยังพอมีที่หลบยึดเหนี่ยวได้เพราะจะเข้าไปนอนในหลืบหินตำแหน่งที่จะไม่ถูกน้ำพัดนอกจากสายน้ำจะกระโจนข้ามไปหมดหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจะระวังไว้เวลาจะลงอาบน้ำหรือท่องลุยไปตามลำธารอนุชาเ อ, อ่ยในตอนท้ายเสียงผิดไยเหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ เวลาทุกคนลงอาบน้ำก่อนค่ำวันนี้ขอให้ระวังตัวให้มากแถบนี้มันมีสัตว์ประเภทเลื้อยคานชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายอันตรายมากมักจะหลบอาศัยอยู่ตามแก่งแง่หินหรือพงรกริมท่าน้ำลักษณะของพวกมันอยู่กันเป็นฝูงรูปร่างเหมือนคางคกแต่ตัวเขื่องกว่าเล็กน้อยมีเดือยแหลมอยู่ใต้ทางถ้าเข้าไปใกล้ถิ่นอาศัยของมันมันจะตรงเข้ามาอย่างดุร้ายเหมือนสัตว์ห่วงถิน่น และใช้เดือยใต้คางของมันโคกสับถ้าถูกเดือยของมันจะมีพิษยิ่งกว่าถูกจงอางกัดซะอีกถึงเราจะมียาแก้พิษที่พอจะป้องกันได้แต่ควรจะหลีกเลี่ยงเสียไม่ควรให้มันเข้ามาเล่นงานได้เราจะทำให้เสียเวลาเจ็บป่วยกันเปล่าๆพรานรุ่นเก่าเขาถือว่ามันเป็นบริวารของสางห่าเหมือนกันและเรียกมันว่าสางหาน้อยหรือจะพูดให้ฟังง่ายเข้าก็คือ ทางโคกลำธารที่มีพิษนั่นแหละลุงอินบอกว่าแถวนี้ชุ่มมากถ้างั้นใครจะอาบน้ำก็รีรบเสียเดี๋ยวนี้เลยและอย่าแยกกลุ่มกันไปไกลให้บอกพวกพรางของเราทุกคนด้วยและให้ลุงอินสำรวจบริเวณที่จะลงอาบน้ำซะก่อนเชษฐาสั่งมาโดยเร็วแล้วหันไปทางน้องสาวสำหรับน้อยจัดการศาสสางตัวเองให้เร็วที่สุดอย่ามัวแต่ทะเลทลายเดินชมดงเล่นอยู่แถวนี้ ธรรมชาติมันสวยก็จริงแต่มันก็มีพิษร้ายอยู่ในตัวของวันทุกปีก้าย่างหลอนรับคำอย่างว่าง่ายทุกคนกราก ร, กรมหมักมมมาทั้งวันแล้วต่างต้องการชำระร่างกายทงสิน้นนันอินกระโดดไปตามโขดหินที่งอกเต็มไปหมดครู่เดียวแกก็ชี้กำหนดให้ว่าควรจะมีตำแหน่งไหนบ้างที่ปลอดภัยในการลงอาบน้าแล้วก็ตะโกนส่งภาษาไปทางพวกลูกค้าพื้นเมืองสร้างความให้รู้กัน ทุกอย่างกระทําอย่างเร่งด่วนแข่งกับแสงโพลเล ท, ที่เริ่มจะขมุกขมัวลงเป็นลำดับในมุมของวงล้อมก้อนหินใหญ่และน้ำตื้นๆเพียงแค่สอกเศษปราศจากพงรกหรือซอกอันน่าสงสัยดาลินถูกกำหนดให้ใช้เป็นห้องน้ำตามลำพังหล่อนใช้ขันพลาสติกตักอาบแทนที่จะลงไปไว่ายเล่นอยู่ในบริเวณที่ลึกและห่างออกไปเพราะปฏิบัติาตามข้อแนะน า, นาของนานอิน ส่วนพวกลูกหาบก็ลงอาบกันอย่างสงบเสงี่ยมเงียบๆอีกด้านหนึ่งโดยมีนันอินคุมเชิงคอยดูแลอยู่ไม่มีใครแสดงอาการสำเริงสำราญหรือปราศจากความสำรวมในกระแสน้ําอันเย็นเฉียบนั้นต่างระมัดระวังตัวอยู่ทุกขณะจิตอนุชาอาบเสร็จก่อนทุกคนขณะนี้ขึ้นมารับหน้าที่นั่งบนยอดหินคอยคุมให้แก่น้องสาวคนเล็กโดยนั่งหันหลังให้เคาร้องเตือนอยู่ตลอดเวลาให้หลอนอาบน้ําให้เสร็จเสียโดยเร็ว ที่กลางคะตั้งแต่ผ่านทุ่งแฝกที่มีรอยไฟไหม้เราแน่ใจแล้วว่ารบพินพยายามปีนไต่ขึ้นไปบนเทือกสูงของยอดเขาอินซรีส่วนพวกเราใช้เส้นทางเดินด้านล่างแล้วยังไงจะเป็นไปได้ไหมคะปลายน้ำตกด้านล่างที่เรามาพักกันอยู่นี้น่าจะเป็นตําแหน่งเบื้องต่ำส่วนฝ่ายของรบพินขนาดนี้น่าจะอยู่บนต้นน้ำตกอยู่ยอดเขาสูงลิฟท์นั่น เดาเยออาจเป็นไปได้และอาจเป็นไปไม่ได้เท่าเท่ากันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นระยะมันก็ห่างกันมากเหลือเกินและแม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนยอดเขาเทือกเดียวกันนี้ซึ่งสูงลิบขึ้นไปวันต่อต่อไปเขาก็จะต้องบ่ายหน้าลงต่ำเพื่อมุ่งเข้าหาดงดิบแน่นอนถ้าน้อยแน่ใจว่าเขาจะมุ่งเข้าหาแหล่งอันเคยเป็นที่ตั้งนิทรานครมาก่อน เราจะหาทางดักสกัดในทิศทางลงของเขาได้ไหมคะยากทั้งเทือกเขาเทือกนี้และทั้งป่าดงดิบดึกดำบรนอันกว้างใหญ่เหลือเกินมีทิศทางลงนับหมื่นมืนจุดทางด้านเราเองมุ่งเข้าหานิทรานครเป็นเป้าหมายต่อไปดีกว่าโอกาสพบหรือได้ร่องรอยย่อมมีมากกว่าที่จะไปมัวค้นหาดักทางายหน้าลงของพวกเขา สมมุติว่าถ้าเขาอยู่ด้านบนขนาดนี้และเราอยู่ด้านล่างขนาดนี้จริงมันก็ไม่ห่างกันมากแล้วนะคะถ้าในเมืองมันก็ไม่ห่างมากหรอกแต่ในป่าทึบแบบนี้ระยะจากยอดเขาและตีนเขาอาจเดินหากันทั้งชาติไม่พบก็ได้ว่าแต่เรื่องนิทรานครเถอะพี่กับลุงอินไม่ชำนาญ น, นะและไม่รู้ด้วยว่ามันควรอยู่ทิศไหนตำแหน่งไหนของเทือกเขาลูกนี้ น้อนจะพยายามค่ะพี่ใหญ่ชัยยานหรือแม้แต่ขยินก็เคยผ่านกันมาแล้วถ้าเข้าถึงบริเวณจริงๆเราพอจะมีจุดให้อาศัยสังเกตเห็นได้มันอยู่ในป่าวงล้อมของป่าดงดิบซึ่งใจกลางเป็นทุ่งโลง่งสลับป่าโปรง่งและมีเนินเข่ารูปหลังเต่าเรียงรายอยู่นับไม่ถ้วนอาณาบริเวณอันเคยเป็นซากนครโบราณหลายร้อยตารางกิโลเมตรทีเดียวซึ่งในครั้งนั้นเราก็ยังสำรวจกันไม่ทั่ว น้อยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเสียงพูดเรื่อยๆของน้องสาวขาดหายไปเฉยๆเหมือนไม่อยากจะกล่าวต่อว่าไปสิเหมือนกับว่าอะไรเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเป็นบ้านเก่าของน้อยเองและการที่น้อยจะเดินทางไปยังบ้านเก่าก็ไม่น่าจะยากนะักพี่ชายจุปากมาเบาๆควักบุหรี่จุดสูบ บ้าเพอร์เจอร์รีบอาบให้เสร็จเร็วเถอะมีอะไรก็ค่อยไปหารือกันตอนกินข้าวเย็นจวนจะหมดแสงเต็มทีแล้วพวกลูกหาบและคนอื่นๆเขาก็ขึ้นกันหมดแล้วมีแต่น้อยคนเดียวที่มัวแต่ละเลียดอยู่เสียงน้องสาวเงียบหายไปอนุชาก็นั่งสูบบุหรี่อยู่เงียบๆพอบุหรี่หมดตัวเขาร้องเรียกเบาๆอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงตอบจึงหันกลับมาใจหายว่า พร้อมกับเห็นรวดขึ้นยืนทันทีเบื้องตามจากที่ยืนบนโขดหินลงไปอันเป็นแอ่งน้ำเห็นแต่ขันพลาสติกที่ดารินใช้ตักรถตัวลอยอยู่ในน้ำที่แหลตื้นลงไปเห็นพื้นกรวดบนเท่นหินใกล้ๆเสื้อผ้าทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ที่เตรียมมาเปลี่ยนของดารินยังวางอยู่ตรงนั้นพร้อมไรเฟิลประจาตัวและเข็มขัดปืนสั้นกิ่งไม้แห้งเล็กๆเป็นง่ามที่หักไว้กับพื้นกรวด ใกล้ตำแหน่งที่หลอนเคยนั่งอาบน้ำอยู่เห็นสร้อยพระอันมีพระสมเด็จและหลวงพ่อวัดปากน้ำห้อยคล้องอยู่ที่เดิมมันหมายถึงว่าหลอนถอดออกจากตัวขณะที่อาบน้ำน้อยเขาตะโกนสุดเสียงพร้อมทั้งกระโจนโครมลงไปตรงแอ่งน้ำตื้นนั้นกวาดสายตาไป ร, รอบๆไรเฟิลในมือขยับลูกเลื่อนทันทีวีแวลที่จะเห็นมีคือรอยน้าที่กระเพื่อม เพราะการกระโจนลงมาของเขาเองซึ่งขณะนี้มันจมอยู่แค่ครึ่งหน้าแข้งเขามองลับไปยังฝั่งตรงข้ามพื้นเต็มไปด้วยต้นว่านกระดาษและเฟินสลับไปด้วยก้อนหินตะไคร่จับเขียวลักษณะเหมือนเส้นทางด่านสำหรับสัตว์ลงกินน้ำคลับคล้ายคลับคราวว่าจะเห็นแผ่นหลังขาวๆกำลังเดินแหวกเข้าไปในพงเฟินและว่านกระดาษนั้นอนุชามีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนออกไปเท่านั้น พร้อมกันก็ตะลุยแล่นตาดแองน้ำซึ่งกว้างประมาณ 7-8 เมตรนั้นพุ่งไปยังทิศทางที่มองเห็นหลังแว บ, บๆนั้นทันทีอย่างเร็วที่สุดกระโจนขึ้นฝั่งตะลุยตามหลังที่เห็นไปพอดงเฟิร์นถูกแหวกออกเขาก็เห็นเบื้องหลังของดารินวราฤทธนทนัดหล่อนกำลังเดินท้าเปลื่ยเปล่าร่างกายกระโจม อ, อกด้วยผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสั้นลอยขึ้นมาถึงโคนขากาลังเดินในลักษณะเหมือนคนต้องมนสะกด ไม่ยินยอนกับสิ่งใดทั้งสิ้นคลื่นเข้าไปสู่อะไรชนิดหนึ่งที่ยืนสองขาสูงตรงานทามือนอยูยมันกำลังโบกมือทั้งสองขึ้นเรียกช้าๆและตัวมันเองก็เดินถอยหลังหลอนก็เดินอย่างแช่มช้าตามมันไปในลักษณะลืมตัวอนุชาตวัดไรเฟิลขึ้นหลยทันทีเล็งไปที่ใบหน้าแห้งเกาะติดกระดูกนั้นแต่เขาก็ยังเหนียวไไม่ได้ชัว่วกิงวินาที เพราะแม้ร่างมันจะสูงใหญ่กว่าดารินสักขนาดไหนก็ตามแต่บังเอิญขนาดนั้นหลอนก้าวขึ้นไปบนแง่หินและมีส่วนหลังบางไอผีดิบไว้สีสษนใหญ่โตของมันโผล่สูงพ้นสีสษนดารินประมาณหนึ่งฝ่ามือเป็นบริเวณหน้าผาแต่อนุชาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงข้ามหัวน้องสาวเพื่อแหกตลกที่เห็นอยู่นั้นได้เพราะถ้าเขาพลาดนิดเดียวด้วยความตื่นเต้นรีบด่วน ศีรษะของดารินนั่นแหละที่จะระเบิดเป็นเสียงออกไปจากอำนาจลูกปืนยิงสัตว์ใหญ่เมื่อยิงยังไม่ได้ในขณนะนั้นอดีตพรานชดก็กระโจนตามหลังเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตและบัานนั้นเองเงาทะมึนสูงใหญ่พอๆพกันกับที่กำลังสะกดให้ดารินเดินตามแต่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกว่ามากก็โผล่รวดออกมาจากเงาหินทั้งสองด้านริมทางผ่าน ปะทะร่างที่กำลังวิ่งแตะกายไล่หลังไปของเขาอย่างจังราวกับวิ่งไปชนท่อนไม้ทั้งท่อนอนุชาหงายหลังผึงก้นกระแทกจำบ้าลงกับพื้นไรเฟิลในมือหลุดกระเด็นลงไปในพงเฟิร์นเขาคลิกตัวกลับในสภาพอันรุกงล่นผงกกตายขึ้นพร้อมมือที่ปาดไปยังด้ามปืนพกจุดซีซที่ติดเอวอยู่แต่มันดูเหมือนจะช้าไปเซะแล้ว ราตีนอันเต็มปด้วยกระดูกและหนักอึ้งของเจ้าตัวที่ย่างสามคุมเข้ามาใกล้ที่สุดเหยียบวูบลงมากลางอกเขาแล้วกดให้นอนหงายราบลงไปกับพื้นลนักษณะของมันเหมือนจะใช้ตีนใหญ่โตมหรานข้างนั้นเหยียบขยี้เขาให้แหลกลงไปกับพื้นความรู้สึกของอนุชายามนี้เหมือนมีก้อนหินมหมาทับอกไว้ขยับขยื่นส่วนกายไม่ได้ นอกจากมือและเท้าที่ดิ้นกระเดาค ว, วายคว้าหาทางสู้สุดฤทธิ์เขาเพยายามจะจับขามันไว้ใช้หลักการต่อสู้มือเปล่าอันเคยชำนาญสารพัดวิธีที่จะปลดฝ่าเท้าที่เหยียบลงมากลางซวงอกออกไปให้ได้ได้ปราศจากผลเขาเริ่มหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกระดูกอกจะหักออกไปและไอผีดิบอีกตนหนึ่งที่โผล่จังก้าออกมาพร้อมๆกับตัวที่เหยียบอกเขาไว้ ก็กำลังยกฝ่าเท้าจะเหยียบลงมากลางใบหน้ามันเป็นช่วงวินาทีวิกฤตที่สุดที่อนุชาเวารารทธิ์มองเห็นมรณาการลอยอยู่เบื้องหน้าแม้แต่จะเปล่งเสียงร้องก็ยังไม่มีเสียงใดๆรอดเรียมฝีปากออกมาได้จุกแน่นอึดอัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินณนาบัดนี้ระหว่างที่สติยังพอจะมีเหลืออยู่บ้างแต่น้อยเต็มที โซดเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆเยอหยันเขาหน้าอันแสงเจหนาเกลเยของไอม้มามมี่นับอายุไม่ได้และสภาพรากอันกระรุ่มกระริ่งแต่ใหญ่โตของมันกับฝ่าตีนอันแลเห็นกระดูกคุ้มหนังยาวร่วมฟุตของอีกตัวหนึ่งที่กำลังลอยต่ำลงมาในระหว่างใบหน้าและลำคอของเขาโซปิตอิเขาภาวนา อิทิปิโซถอยหลังอยู่ในใจได้เพียงแค่นั้นก่อนที่ฝ่าตีเต็มไปด้วยกระดูกนั้นจะสัมผัสกับจุดสำคัญในร่างกายของอนุชา ว, วราริศผู้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองอยู่ได้นในขณะ น, นี้ซ้องหูของเขาก็กึกกล้องไปด้วยกมปนาของเสียงปืนที่ประสากนการดังสะเทือนไปหมดทั้งบรรยากาศเงียบสงบบริเวณ น, นั้นรอกับเสียงสายฟ้าจากพระผู้เป็นเจ้าในสูงสวรรค์ ฟาดลงมาในคุ้มดรกที่กำลังเต็มไปด้วยความทรมานและสิ้นหวังของสัตว์ต้องทันพร้อมๆกับเสียงปืนที่จำแนกนัดไม่ถูกฝ่าตีนของไอ้ผีดิบทั้งที่เหยียบตรึงซวงอกเขาไว้และทั้งที่กำลังจะ ก, กดลงมายัางกระเดือกลอยหลุดออกไปในทันทีดวงตาของอนุชาอันเบิกอยู่เขาจึงพอมองเห็นได้ในแสงขมุขขมัวของสนธยายัไอเจ้าของตีนมหาภัยทั้งสองตน พังงาห่างจากร่างที่กำลังนอนหงายแผ่ของเขาด้วยลักษณะหมุนพวานั่นเกิดจากอำนาจของหัวกระสุนน้ำหนัก500กรนแรงกระแทกขนาด 5,000 ฟุตเปาที่พุ่งมากระทบและคงกระนำกระทบหรือกระทุ้งต่อไปโดยการยิงติดต่อกันมาทียิบภาวะวิกฤตของเขาผ่านพ้นไปแล้วขนาดไมโครเซกันหรือ1ในล้านวินาที และนักต่อสู้ประจ o ัยา ย, ยัางอุดชาก็ตระนักตีว่าเขายังไม่สมควรที่จะพังงกศรีรษะหรือลุกขึ้นก่อนในขณะนี้ท่ามกลางความฉุกละหุกของลูกปืนจากพักพวกอันด ร, รมยิงช่วยมาจากเบื้องหลังเพราะมิฉะนั้นร่างกายของเขาเองอาจถูกกระสุนเข้าได้จึงคงนอนราบอยู่กับพื้นฟังเสียงปืนเสียงร้องเอะอะที่ฟังแทบประสานไม่ได้สับและมองเห็นภาพไอ้ผีดิบใหญ่โตทั้งสองตัว ที่กำลังหมายปอนชีวิตเขาอยู่โยกๆยกพลิกพงะส่วนเซหมุนอยู่ไปมาในระยะที่มันยังยืนอยู่ใกล้ๆกับที่เขานอนอยู่ในขณะนี้เห็นถนัดว่ามันถูกลูกปืน อ, อย่างจังทะลุผ่านลำตัวบริเวณหน้าอกเศษวัสดุอันอดีตการเคยเป็นเนื้อหนังมังสาและกระดูกปลิวกร ะ, ดรกระเด็นออกมาจากบาดแผลทางออกตามหัวลูกปืนที่คว้านทะลวงบิด ต, ตัวออกไป มันจะเจ็บปวดหรือมีความรู้สึกอย่างไรเขาไม่อาจทราบได้เพราะไม่ปรากฏเสียงร้องหรืออาการดิน้นสภาพที่มันถอยพลัหมุนคว้างเป็นไปอย่างหุ่นยนต์ที่ถูกแรงกระทุ้งเสียมากกว่าและเจ้าตัวหนึ่งที่กำลังหันหลังให้เขาสองตีนเดินสวบๆทำท่าจะแผลนี้ศีรษะอันวางอยู่บนลำคอแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ของมันบัด น, นี้หากพับลงเห็นคาตาด้วยกระสุนจุดห แมกนัมแอฟริกันถ้าไม่จากมือของพี่ชายใหญ่เช้าก็คงจากชายยันคนใดคนหนึ่งที่ซัดอย่างไม่ยั้งมาจากอีกฝั่งของแอ่งน้ำและแม้คอมันจะหักพับลงมาแล้วเช่นนั้นก็ตามสองตีนของมันยังก้าวเดินด้วยอาการหนีต่อไปยิงกระดูกขาของมันนายเสียงตะโกนลั่นแวกขึ้นมาจากเสียงปืนเหล่านั้นเป็นเสียงของนานอิน อีกสองสามเปรี้ยงที่ดังไม่ห่างจากตัวอนุชาเท่าไรนะทําให้เขาเห็นภาพของไอตัวนั้นซุดหัวเพราะกระดูกขาบริเวณบานาพับถูกทําลายด้วยกระสุนมันล้มลงไปคากอเฟืนในลักษณะประหลาดผิดมนุษย์หรือสัตว์มีชีวิต ท, ทั้งหลายคือขาซ้ายตำแหน่งที่ลูกปืนทําลายกระดูกหักย้อยยักงอไปข้างหน้าเพราะฐานน้ําหนักส่วนบนไม่ไหวหัวเข่าพุ่งไปทางด้านหน้าส่วนตัวของมันเอ็นมาทางเบื้องหลัง เหมือนคนคุกเข่าและนอนหงายหลังเสียงมันฟาดลงกับพื้นดังสะเทือนแทนดินจากน้ำหนักกระดูกใหญ่โตตัวที่สองอันจำได้ว่าเป็นตัวที่พยายามจะหยีบลงมาที่กระเดือกเขากลายเป็นเป้ากระสุนต่อไปยังดุเดือดของฝ่ายมนุษย์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสียงไรายเฟินเท่านั้นเขาได้ยินเสียงโล่งๆกว้างๆของกระสุนชนิดลูกซองระเบิดแท้ซ้าติดตามมาด้วย นั่นแปลว่าเป็นการช่วยยิงจากบรรดาลูกหาวที่คงจะแล่นตามมาถึงระดมช่วยกันอีกเป็นการใหญ่ศีรษะของมันส่วนบนบริเวณหน้าผากขาดกระจุยกระเด็นเป็นฝอยดำๆเหมือนเปลือกของตอไม้ผูปลิวว่อนกระจายไปราวกับถูกระเบิดแหกแล้วช่วยฟลิปตาต่อมาของการระดมยิงโดยนับไม่ยัง้งจากกระสุนนานาชนิดทั้งส่วนหัวของมันก็กุดด้วนหายไปในทันที ราวกับหัวต่อไม้ที่ถูกขวานสับซ้ำๆเหลือแต่บ่าอันปราศจากหัวและโดยร่างกายอันปราศจากหัวนั้นมันก็หลบแบบเข้าไปหลังโขดหินใหญ่ที่มันโผลออกมาทันทีกระสุนที่ติดตามมาอีกเป็นสายจึงพุ่งเข้าปะทาก้อนหินที่จับเขี้ยวไปด้วยตะใครแต่เป็นสะเก็ดขาวเวอร์นับตำแหน่งไม่ทั่ว มีเสือฝีเท้าลหลายคู่วิ่งตูม ต, มตามตะลุยข้ามแอ่งน้ำตื้นๆ ต, ตรงเข้ามาที่เขาเสียงตะโกนเรียกนามเขานามของดารินฟังไม่เป็นสัมมันเป็นสาวประสำเนียนของความโกละหนตกใจสุดขีดแล้วใครคนหนึ่งก็รั้วเข้ามาประคองเขาไว้กระชากขึ้นมาในอ้อมแขนพรานก็ตะโกนและล่ำาละลักว่าตามนายหญิงตอไปเร็วนานอินจะดูนายชดเอง เขารู้แน่ว่าพูดถึงตัวเขาก่อนและก้มลงประคองอยู่ในขณะนี้คือพรานเท่าคู่ใจอีกสถึงห้าคนอันคงมีทั้งเชิดถาชัยยันขยินและหัวหน้าลูกหาบที่พลูเข้ามาถึงในวินาทีติดติดกันพากันวิ่งตะลุยต่อไปโดยมุ่งไปทางดารินอันไม่มีใครบอกได้ว่าหลอนกำลังตกอยู่ในภาวะใดขณะนี้ขณะที่อดีตรานชดหรืออนุชาวาราริ์ กำลังลุกขึ้นมานั่งทางขาสะบัดหน้าเร้าๆอยู่โดยมีนานอินขยา่าไหลเรียกอยู่ทีๆเขาได้ยินเสียงชุลมุนเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวพวกลูกหาบท้งหมดคงจะเล่นตามกันมาทุกคนและกำลังวิ่งผ่านกายเขาในขณะนี้เสียงนายนินเองก็ตะโกนสั่งความอยู่ชนิดลิ้นพันกันล้งเล้งไปหมดเฮ้ยพวกเองตามนายใหญ่ไปอย่าไปตามไอ้ตัวที่มันหัวขาดหรือตัวอื่นที่จะโผล่ออกมาล่อ ให้ตามเฉพาะตัวที่มันจะเอานายหญิงไปมีเสียงโห่ร้องเออะอะแบบไล่ราวเสียงปืนยังคงระเบิดเปรี้ยงปรางไม่เป็นสำส่วนขยินก็ตะโกนสนั่นป่าเตือนพวกลูกหาให้ระวัลจะยิงถูกกันเองสามวินาทีต่อมาอนุชาพอดะจะได้สติขึ้นมาบ้างแล้วพูดลุกขึ้นยืนแต่นานอินยังจับแขนยึดไว้มั่นร้องถามอาการของเขาเป็นรถไฟด่วน อดีตพรานชดตอบมาเร็วหรือเกือบเป็นเสียงตะว่าฉันไม่เป็นไรตามนหญิงกันเดี๋ยวนี้พร้องกับร้องเขาก็ก้มลงไปตะกุยค้นหารายเฟิลของตนเองที่จำได้ว่าหล่นอยู่ริมทางคว้าขึ้นมาได้แล้วก็ออกแล่นตามพวกพ้องทั้งหมดที่วิ่งเป็นขบวนเป็นทางราบแวบ ก, กอเฟินไปเบื้องหน้าบัดนี้เสียงปืนหยุดสงบลงแล้วมีแต่เสียงจอแจจอกแจกของพรกพวกกลุ่มใหญ่ อันยืนแวดล้อมอยู่ตรงก้อนหินซึ่งมีลักษณะเป็นเนินลาดสูงขึ้นไปรอบด้านเต็มไปด้วยวัชพืชพงรกมองเห็นพี่ชายใหญ่ชายยันกำลังช่วยกันจับแขนดารินผู้ยืนตัวแข็งนิ่งตาเมอลอยอย่างคนไร้สติอยู่ตำแหน่งนั้นและรอบด้านขยีนกับพวกลูกหาทุกคนยืนรายล้อมบางกาลังจ้องตะลึงยืนดูบางก็กำลังแหวกหาอะไรอยู่ในพงรกใกล้ๆ ภาพทุกอย่างเป็นเงาสลัวไฟฉายใครมีติดตัวมั่งนั่นเป็นเสียงตะโกนของเชษฐาเพียงแค่ขาดเสียงของเขาก็มีลำแสงไฟฉายสองสามดวงซึ่งอาจมีติดมืออยู่ในบรรดาลูกหามส่องจ้าเข้าไปที่ร่างของดารินซึ่งบัดนี้มีเพียงผ้าช็ดตัวเล็กๆบางๆผืนเดียวนุ่งกระจงอก อ, กอยู่หล่อนยืนอยู่ในลักษณะคนถูสกดจิต มิยายพี่ชายและเพื่อนจะขยาวเรียกตัวอย่างไรก็ไม่รู้สึกไอจอมผีดิบมันตรายหรือสมุนบริวารของมันถ้าหากจะมีอยู่อีกบัดนี้เรนหายไปหมดแล้วอย่างมองไม่เห็นตัวขยินขยับจะตะลุยตามลึกเข้าไปจากรอยป่าเฟินที่เห็นแวกลู่เป็นทางแต่นานอินตะวาดเรียกให้มันหยุดอยู่เพียงแค่นั้นแล้วอนุชาผู้เกือบจะถึงแก่ชีวิตโดยรอดได้อย่างวุดหวิด ก็กระโจนเพื่อเข้าไปถึงตัวน้องสาวเขายัางไม่แตะต้องแต่จ้องหน้าโดยขอไฟฉายจากมือลูกหาบคนหนึ่งไปส่องดูหน้าอันซีดไม่มีสีเลือดนั้นอย่าเพิ่งเรียกหรือทำอะไรก่อนเลยครับพี่ใหญ่เขาบอกขึ้นอย่างกระหือกระหอบภายหลังจากการพิจารณาและอย่าเพิ่งถามอะไรทั้งนั้นรีบกลับที่พักกันเดี๋ยวนี้เถอะผมจะแบกน้อยไปเองกล่าวจบอนุชากตวันอุ้มน้องสาวลอยขึ้นในอ้อมแขน โดยโนยนไรเฟิลของตนเองไปให้ชายยันช่วยถือไว้พาเดินจ้ำพรวดพรวดย้อนกลับมายัางแอ่งน้ำตำแหน่งที่เป็นต้นเหตุเกิดเรื่องน้านอินเชษฐาชายยันและทุกคนออกวิ่งเหยาะๆล้อมหน้าล้อมหลังตามมาทั้งชุดพอผ่านตำแหน่งที่ดารินนั่งอาบน้ำอยู่อนุชาก็ร้องบอกเร่งร้อนมาอีกว่าลุงอินเอาเสื้อผ้าปืนของนาหญิงมาด้วยและพี่ใหญ่ฉายไฟดูให้ดี มีกิ่งไม้เล็กๆปักอยู่ตรงนั้นพระเครื่องของน้อยแขวนอ ย, อยู่เอามาด้วยครับเขาถอดหลวงพ่อออกขณะที่ลงไปอาบน้ำทั้งเชือกาและชายยานตรงเข้าไปสำรวจตรงบริเวณนั้นทันทีในขณะที่อนุชาอุ้มน้องสาวลุยขึ้นไปยังฝั่งอันเป็นที่ตั้งแคมป์ซึ่งบัดนี้ก่อไฟไว้สามกองใหญ่ๆกำลังลุกโชนการหุงหาและการย่างเนื้อยังคงคาค้างอยู่ในภาวะนั้นเรายังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณนะ์ ขณะนั้นก็มีเสียงของขยินผู้อดีตเป็นคนกลัวผีและสิ่งประหลาดประหลาดอันพิสูจน์ไม่ได้มากที่สุดแต่มาบัดนี้กลายมาเป็นคนกล้าหาญบ้าระห่ำดีเดือดที่สุดคงเนื่องมาจากผ่านเทือกพระศิวะกับพระพินมาก่อนแล้วเป็นบทเรียนเปลี่ยนนิสัยเดิมขยินตะโกนมาจากเบื้องหลังว่าไอตัวที่นายใหญ่กับนายฐานยิงกระดูกขาหลังแหลกยังนอนเป็นท่อนหินอยู่นี่จะได้ทำยังไง หลักฐานซากของไอ้ผีดิบทิ้งไว้ให้เห็นในขณะนี้หนึ่งตัวแล้วโดวยยังไม่อาจลากซากของมันเองหลบหนีไปได้จากกลุ่มตามล่านานอินก็ร้องบอกไปว่าปล่อยมันไว้นั่นแหละอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันไปอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันก็คว้าคอมึงเสียเท่านั้นไอขยินตอนนี้ร่างกายมันไปไม่ได้เร็วมันก็ถอดวิญญาณออกไปก่อนแล้วทิ้งไว้แค่ซากเท่านั้นเชษฐาชายไฟกราดดู ร, บรอบ พบตำหนงแคว้นพระเครื่องของน้องสาวคนเล็กซึ่งถอดไว้ขณะที่ลงอาบน้ำตรงตามที่น้องชายกลางบอกจึงคว้าขึ้นมาจบบูชาขึ้นเหนือศีรษะและใส่กระเป๋าเสื้อสาวเท้าตามหลังอนุชาอ น, นามดารินล่วงหน้ามาก่อนทันทีอนุชานั้นพออุ้มน้องสาวมา ถ, ถึงบริเวณที่พักนอนล้อมรอบดิกองไฟก็วางร่างลงเอาผ้าห่มกลุมตัวให้บางร่างกายเกือบจะเปลื่อยและลอดแหลมต่อสายตา เพราะกระจมอกไว้เพียงผ้าช็ตัวพื้นเท่ากระแบะมือมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เชธธาชัยยันและทุกคนติดตามเข้ามาถึงดารินนอนลืมตาพลงอยู่เช่นเดิมไม่ยินยนอะไรทั้งสิ้นต่อความโกลาหลที่เกิดขึ้นรอบกายเชธฐาชัยยันพรวดเข้ามานั่งขนาบใกล้ยอยู่คนละด้านพยายามจะเรียกแต่อนุชา ย, ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบบัดนี้ อดีตพ่านชดปรับสติอารมณ์ได้เรียบร้อยแล้วแต่สีน้ายังคงเครียดขึ้ส่วนพี่ชายใหญ่และเพื่อนในสภาพตื่นตระหนกซีน้าเหมือนปลาสำลักน้ำทุกคนเฉยๆไปก่อนไม่เป็นไรผมรับรองว่าไม่เป็นไรน้ อ, นนอนจะปลอดภัยทุกอย่างพี่ใหญ่ครับพระเครื่องของน้อนส่งให้ผมเถอะเร็ว เชษาเองขณะนี้เขาก็พยายามที่จะปราบสติอารมณ์ที่กำลังกระเจิงกระเจิงอยู่ให้สงบลงภายใต้สีหน้าเยือกเย็นส่วนชายยานนั้นยังอยู่ในภาวะตื่นเต้นกายสั่นเทิมเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงไหนก็ตามที่เผชิญกับตัวเองเขาไม่เคยประวัติพรั่นพรึงเลยสำหรับอดีตนายทหารปืนใหญ่แต่นี่มันมาเกิดขึ้นกับบคุคคลที่ทุกคนห่วงใยที่สุดในคณะคือดารินซึ่งยังไม่อาจทานายอนาคตถูกว่า จะเป็นไปในลักษณะไหนชายยันสารภาพกับตนเองว่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเขาแล่นมาถึงบริเวณเกิดเหตุพร้อมกับเชษ้ท้าไม่เห็นต้นเหตุว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแต่เห็นภาพของไอพิริป2ตัวที่กำลังรุมเล่นงานอนุชาซึ่งเขาเป็นคนระเบิดกระสุนออกไปพร้อมๆกับเชฐทา น, นั่นแหละและยิงจนหมดแมกกาซีนที่บรรจุอยู่ในไรเฟิลประจาตัว ซ้ำยังใช้ปืนพกสั้นจุดซีสียิงต่อไปอีกโดยไม่นับเมื่อกระสุนไรเฟิลหมดเท่าที่บรรจุอยู่โดยบรรจุซ้ำไม่ทันใจเชตาล้วงกระเป๋าเสื้อทรงสร้อยพระเครื่องซึ่งมีหลวงพ่อห้อยอยู่เพียงสององค์สมเด็จวัดระฆังและสมเด็จวัดปากน้ำอนุชารับมาจบด้วยมือทั้งสองพนมขึ้นสวดท่องคาถาอาราธนาอยู่อึดใจใหญ่แล้วประคองศรีรษะของดารินขึ้น ค่อยๆบรรจงคล้องระเครื่องประจำตัวของหญิงสาวกลับคืนเข้าสู่คอทันทีที่หลวงพ่อคล้องผ่านศรีรษะและแขวนกลับเข้าสู่ลำคอตามเดิมทุกคนเห็นดวงตาที่เบิกค้างเติ่งของดารินอันปราศจากแววนั้นก็พริบลงทันทีทุกสายตาจ้องมองนิ่งมาเป็นตาเดียวรอคอยดูอยู่หล่อนกพริบตาครั้งแรกแล้วลืมขึ้นต่อมาก็กพริบถีขึ้น ประกายชีวิตเริ่มปรากฏขึ้นที่แววตาทั้งคู่แล้วผิดแผ่ไปกว่าที่เป็นอยู่เมื่อครู่นี้ยังไม่มีใครเรียกร่อนทั้งสิ้นนอกจากล้อมดูอยู่เฉยๆอนุชานั้นสอดมือเข้าไปในผ้าห่มที่เขาเองเป็นผู้คลุมร่างให้จับอยู่ที่ชีพจรรู้สึกได้ทันทีว่าจากจังหวะเต้นที่อ่อนและแช่มช้า ม, มากเริ่มจะแรงและเร็วขึ้นเปลำดับอืดใจใหญ่ต่อมาหลอนจึงขยับตัว กว่าตามองดูหน้าของทุกคนที่แวดล้อมอยู่รอบด้านร้องอะไรในลำคอออกมาเบาๆคำหนึ่งเป็นสำเนียงประหลาดใจทำท่าจะฟ ง, งกสีสาะขึ้นแต่อนุชาตแตะไปที่หน้าผากกดให้นอนพักอยู่ตามเดิมอย่าเพิ่งพูดหรือขยับตัวอะไรทั้งสิน้นได้ยินและเข้าใจที่พี่สั่งนี่ไหมถ้าเข้าใจให้พยักหน้าดารินทพยักหน้าช้าๆลงครั้งหนึ่งแสดงว่าหลอนรู้สึกตัวแล้วแน่นอน เอาละต่อไปสงบจิตสวดพระคถาชินนะบัญชรไปสามจบก่อนเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรก่อนทั้งนั้นหล่อนหลับตาลงพนมมือทั้งสองขึ้นบนสวงอกแล้วภาวนาตามคำสั่งทันทีระหว่างที่ดารินตกอยู่ในภาวะสวดภาวนาเหมือนจะเข้าฌานสมาธิอยู่นั้นอนุชาถอนใจออกมาได้โล่งอก สกิดกระซิบกับครูพรานนานอินให้เข้ามานั่งคุมทางด้านปลายทาว้อีกคนหนึ่งแล้วพยักหน้ากับพี่ชายใหญ่และชายยันเป็นสัญญาณให้ถอยห่างออกมาตนเองถอยไปนั่งอยู่ที่กองไฟที่ก่อไว้เชษฐาชายยันตามเข้ามาด้วยเขาจึงเริ่มต้นอธิบายว่าผมพลาดเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับคือนั่งเฝ้าน้อยก็จริงแต่หันหลังให้เลยไม่ทันเห็นว่า ก่อนอาบน้ำเขาถอดพระแขวนไว้กับกิ่งไม้แห้งที่ตัวเขาเองหักไปปักไว้ใกล้ๆตัวนั่นแหละผมไม่คิดว่ามันจะเวยโอกาสเพียงแค่จังหวะสั้นๆนิดเดียวระหว่างนั้นความจริงน้อยก็พูดคุยอยู่กับผมใจจอยตลอดเวลาระยะมันก็ห่างกันระหว่างผมที่นั่งอยู่บนยอดหินและน้อยนั่งอาบน้ำในแอ่งแค่ไม่เกิน 3-4 วา์เท่านั้นพอเห็นเงียบเสียงไปและผมสูบบุหรี่หมดตัว เรียให้เขาขึ้นได้แล้วปรากฏว่าเงียบหายไปไม่มีคำตอบหันกลับมาเท่านั้นเห็นถูกมันสะกดเดินตามต้อยๆไปเสียแล้วแต่ก็หลัดหลัดแค่มีกี่อึดใจเท่านั้นผู้เราได้ยินเสียงเออะโวยวายของเธอเชิาบอกแผ่วต่ำทุกคนตกใจหมดรู้แน่ว่าเกิดเรื่องร้ายจึงวิ่งตามไปโชคดีที่ระยะมันไม่ห่างนะักเห็นเธอกาลังนอนแผ่ร้าหมดท่าอยู่ ไอสองตัวนั่นกำลังเหยียบก็เลยยิงและใครต่อใครอีกหลายคนของพวกเราก็ตามไปติดๆช่วยระดมยิงเป็นการใหญ่ครับถ้าพี่ใหญ่ชายยันและพวกเราเช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวผมถูกมันเหยียบกระเดือกแตกไปแล้วตอนที่ผมเสียท่ามันเกิดขึ้นขณะที่ผมกวดตามหลังน้อยที่เห็นแวบๆแบบเดินตามไอ้มันตรไปจะยิงมันตอนนั้นก็ไม่ถนัดเพราะมุมยิงไม่อานวยผมจึงไล่กลวดตาม พอผ่านแง่หินใหญ่บริวารของมันสองตัวอย่างที่ทุกคนเห็นก็โผล่ออกมากระแทกผมล้มหงายลงแล้วมันก็ช่วยกันเหยียบผมก่อนที่จะตั้งตัวทันหลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นกับตาแล้วแปลว่าช่วงวินาทีวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนที่น้อยหยุดพูดกับแกไปเดียวเดียวเท่านั้นชายยนขโมยคิ้วถามใช่แป๊บเดียวเท่านั้นแสดงว่ามันรอจังหวะโอกาสอยู่ตลอดเวลาแล้ว มาประกอบกับที่น้อยถอดพระออกจากคอด้วยเชิดถามเมมริฟิีปากนน่นชายันคลางอะไรในลำคอและเป่าลมออกจากปากเห็นมประมาณไม่ได้เลยแมย้แต่วินาทีเดียวนี่แปลว่ามันดักคอยเราอยู่แล้วตรงบริเวณที่เรายึดถือเป็นแหล่งพักนี่อนุชา ย, ยิ้มแแค่นมันดักคอยรอจังหวะจะเล่นงานเราทุกคนทุกแห่งแหละจนกว่าเราจะพินาศหรือมันจะพินาศ จุดประสงค์ของมันเฉพาะคราวนี้ก็คือใช้อำนาจจิตตานุภาพสะกดน้อยออกไปก่อนและถ้าเราสกัดไม่ทันมันก็เอน้อยไปเลยเอาไปไหนนรกเท่านั้นที่จะรู้ได้แต่ที่แน่ๆก็คือมันจะยังไม่ทําอันตรายใดๆน้อยแค่เอาตัวไปเท่านั้นส่วนพวกเรานี่สิมันเอาตายแน่และถ้ามันเอาน้อยไปได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับมันล่อเราให้เข้าไปสู่กับดักแน่นอน ซึ่งเราเสียเปรียบเต็มประตูศึกซึกระหว่างเรากับมันตรครั้งนี้น่าหนักใจมากครับแล้วเธอคิดว่ามันไปไหนแล้วขณะที่เกิดยิงกันขึ้นทั้งๆ ท, ที่มันสะกดน้อยออกไปได้แล้วผมเข้าใจว่าพอพวกเรารู้ตัวและเปิดสกราชยิ่งขึ้นห้ตัวสําคัญที่สุดก็ผละหนีทันทีเพราะจะต้องพยายามสงวน ร, รักษาซากอันสมบูร์ที่สุดของมันไว้คือซากของนักรบตนนั้น เพราะถ้ามันเอาตัวน้อยไปในขณะที่เรารู้ตัวแบบนี้มันก็รู้ว่าเราจะต้องตามมันถึงที่สุดในระยะที่มันหนีไม่พ้นและร่างที่มันสงวนที่สุดก็จะถูกทําลายจริงอยู่วิญญาณของมันถอดได้แต่ร่างที่มันใช้โดยมันพอใจที่สุดก็จะต้องถูกเราทําลายเละจึงสงวนไว้ก่อนปล่อยให้บริวารของมันรับหน้าไปพลางๆเพราะแม้จะถูกทาลายมันก็ไม่กลัวยังไปสิงสู่ด้วยอาคม เรียกตัวอื่นๆอันมีอยู่มากมายมาใช้ได้ตลอดกาลไม่สังเกตรหรือครับมันวางกำลังของมันไว้รอบป่าแอบออกไปซุ่มไว้ตามที่ต่างๆตรงจุดที่เราจะต้องเดินผ่านตอนที่เราจะเข้าถ้ำนาคราช ด, ด้วยนานอินหมายจะพาเข้าไปเราก็ยังพบซาด ท, ที่มันทิ้งเพื่อดักไว้รอถูกความร้อนของตัวที่นานอินเรียกว่าสางหาหรือพญานาคแผดเผาในขณะที่เลือ้อยผ่านเข้าไปในถ้ำ กลายเป็นขี้เท่าไปเลยนั่นถ้าสางหาไม่เลือ้อนำหน้าเราเข้าไปเสก่อนผมว่าเราทั้งคณะหรือคนใดคนหนึ่งคงถูกพวกมันดักโจมตีระหว่างที่มุดเข้าไปในถ้าแน่นอนเรากำลังจะมุ่งเข้าหานิทรานครอยู่พอดีมันก็มาดักเล่นงานเสีก่อนแล้วเชษฐาพืมพำรีตาลงคืนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม้ไหนอีก ไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่ผมกับลงอินพร้อมอยู่เสมอมันทำเราข้างเดียวไม่ได้รอ้องมีได้มีเสียเหมือนกันเราพลาดก็เป็นทีของมันแต่ถ้ามันพลาดเราก็ไม่เอาไว้ถึงน้อยเองเขาก็เตรียมรับมือเต็มที่เมื่อครูใหญ่ที่เกิดเรื่องนี้มันเป็นความพลั้งเผลอของเขาเท่านั้นก่อนหน้าเกิดเหตุเรายังคุยกันอยู่เลยน้อยบอกว่าจะมุ่งนิทรานครให้ได้ ซ้อยังบอกอะไรเป็นนนายพีก่กนอนุชาชะ ง, งักไปเพียงแค่นั้นเจษฐาชา ย, ยานถามพร้อมกันอย่างสงสัยว่าในอะไรเขาบอกว่ามันเป็นบ้านเก่าของเขาซึ่งเขาจะต้องกลับไปให้ได้ขณะที่พูดดูเขามีความมั่นใจอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นพี่ใหญ่กับชา ย, ยานคิดไหมครับว่า พ่อจะหาทางมุ่งเข้าหาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของนครโบราณที่เคยผ่านมาแล้วนี้ได้สำหรับผมกับนานอินไม่รู้อะไรมาก่อนเลยเชษฐาเอานิ้วเกาหัวคิ้วพยายามใช้ความคิดตริตรองเต็มที่แล้วหันไปสบตาชัยยันอนดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนร่วมตายมาทุกสมัยยิ้มขรึมขึมฉันเชื่อว่าฉันพอจะจำภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมได้ และตัวฉันเองก็เคยเข้าไปติดอยู่ในสุสานใต้ลูกเขาของนครนี้มาแล้วเอานะ่ะเชื่อว่ามันคงไม่เกิดความสามารถรองขยินก็อยู่อีกทั้งคนหนักใจอยู่อย่างเดียวเราจะแก้เวทมนตริตยาอาคมของมันได้ยังไงเมื่อถึงเวลาเราคงคิดออกเองเรามี TNT และเรามีนานอินซึ่งในทางสายเวทอาคมหรือการแก้กันในด้านนี้แล้วแกก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร เว้นแต่แกจะไม่คุยเท่านั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วลุงอินนั้นถ้าไม่แน่จริงแกก็ย่าในแถบนรกดามาไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตของแกร้อกพูดก็พูดเถอะระพินเองแท้ๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ยังไม่อยากจะเข้ามายุ่งในถิ่นนี้แต่นานอินเดินเหมือนในบ้านของแกเองมานานนมความจริงอีกอย่างหนึ่งเราไม่ควรจะมองผ่านก็คือ ถ้าลุงอินเป็นคนโลภเห็นแก่โภกขทรัพย์ความร่ำรวยป่านนี้แกก็รวยไปนานแล้วจากทรัพย์ในป่าที่แกพบแต่แกไม่เคยแตะต้องเลยคงใช้ชีวิตแบบพรานไพรสัญจรไปเรื่อยๆส ม, มถะอาศัยอยู่กินหลับนอนไปวันๆไม่เคยสะสมทรัพย์สมบัติอะไรไม่เคยมีลูกเมียรหรือบ้านนี่ก็แสดงว่าแกถือสัต์จะอะไรของแกเหมือนกันคนประเภทนี้ทาอะไรได้เหนือกว่าปุถุชนธรรมดา คำพูดของอนุชาทาให้เชษฐาและชัยยานรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างและเห็นจริงด้วยถูกแล้วถ้าหนานอินไม่เก่งในเชิงไพยและเวทมนต์คาถาจริงๆแล้วแกก็คงไม่มีอายุยืนมาจนพ้นวัยแก่กลับมามีสภาพเหมือนคนหนุ่มได้อีกครั้งพิสูจน์ได้จากสายตาของแกที่กลับมองเห็นชัดตามเดิมและความคล่องแคล่วแข็งแรงในการเดินดงชนิดลูกห่าหนุ่มๆ หรือเจ้าคนดงโดยธรรมชาติอย่างขยินก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับบุญคำอันเป็นมือขวาของระพินก็เชื่อได้แน่ว่าห่างกันหลายขุมแต่คำโม้เสียมากกว่าฝีมือจริงส่วนนันอินไม่เคยโอ้อวดยกตัวเลยประวัติชีวิตในการบุกรายของแกเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรับรองได้อย่างดีย้อนมองหลังลึกลงไปในอดีตไม่ใช่นานอินคนนี้หรอกหรือ ที่โอบอุ้มเอาชีวิตเด็กชายน้อ ย, อ, ยอันมาจากดินแดนลึกลับฟังศพของมารดาเด็กผู้นั้นด้วยมือเองกลางไพรเถื่อนแล้วต่อมาก็นําเด็กผู้นั้นไปมอบไว้ให้แก่พระทูดงในระดับอรหันต์จนกระทั่งในที่สุดเด็กคนนี้ก็กลายมาเป็นแง่ทรายและกลายมาเป็นจั ก, กรราษแห่งมรกรนครต่อไปทั้งเชิดฐาและชัยยานตรนักดีและกําลังคิดอยู่ในใจ เพียงแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาเท่านั้นเรากลับเข้าไปดูน้อยกันเถอะรู้สึกตัวแล้วก็จริงแต่ไม่รู้จะมีอาการอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าในที่สุดเชตาก็เอ่ยขึ้นชวนน้องชายและเพื่อนย้อนกลับเข้าไปยังบริเวณที่พักนอนของคณะทุกคนเมื่อเข้ามาถึงต่างเห็นครูพรานยังนั่งขัดสมาธิเพรหลับตานิ่งอยู่ทางด้านปลายเท้าของดารินตัวหล่อนเองก็คงพนมมืออยู่วางทวงอก และเมื่อทั้งสามมาถึงมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่นานอินลืมตาเปลี่ยนอิรยาบถเท่าๆกับที่ราชสกุลสาวซึ่งเกือบจะเสียท่ายังวุดวิตภายในน้ำมือของจอมผีดิบมันตรัลดมือที่พนมบนอกดึงกายลุกขึ้นนั่งทุกคนสบายใจได้แล้วคะ่ะน้อยเป็นปกติเหมือนเดิมและรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวน้อยระหว่างที่อาบน้าอยู่ตรงแอ่งนั่นหลอนเอิรนขึ้นเรียบ เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยกับทุกคนยกมือเสรยผมแน่ใจชายยันจับไหล่ถามแน่ใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความประมาทไปช่วนิดเดียวเท่านั้นน้อยถอดหลวงพ่อออกจากคอตอนอาบน้ำกลัวน้ำจะถูกเนื้อผมของหลวงพ่อทั้งสองอ ง, องค์เพราะกรอบไม่ได้อัดสนิทไว้ด้วยพลาสติกแบบกันน้ำตอนนั้นเลยถูกมันส่งกระแสติดเข้าสะกดลืมตัวเหมือนหลับ และไม่รู้ตัวในตอนนั้นว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างพี่กลางและทุกคนเร็วมากที่ช่วยเหลือได้ทันขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเดียวเดียวกล่าวจบหล่อนขยับผ้าช็ดตัวที่รัดอยู่เนืออกให้แน่นขึ้นแล้วหันมาคว้าเสื้อกางเกงเดินป่าชุดใหม่ลุกขึ้นเดินไปวางอยู่หลังผ้าพลาสติกที่ขึงไว้แทนม่านอืดใจใหญ่ต่อมาก็กลับเข้ามาในเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยข้าเข็มขัดปืนสั้น แล้วก้มลงคว้าไรเฟิลของตนเองที่พักพวก่วคิ้วมาด้วยระหว่างที่หล่อนยังอยู่ในภาวะถูกมนสะกัดก้าวรวดออกนอกบริเวณที่พักนอนทันทีพร้อมไฟฉายในมือเดี๋ยวน้อยนั่นจะไปไหนอีกขอกลับไปดูที่เกิดเหตุกี้นี้อีกครั้งค่ะเฮ้ยชายยันและอนุชาร้องขึ้นพร้อมกันและทุกคนก็ทะลึ่งรวดขึ้นยืนอย่างฉับพลันหลายคนร้องห้าม แต่ดารินก้าวฉับๆออกไปแล้วอย่างไม่หวันว่นหวาต่อสิ่งใดทั้งสิ้นทำให้ทุกคนต้องตามกันออกมาเป็นครวนอีกครั้งขยีนเร่งให้พวกนั้นหุงข้าวให้สุกเร็วๆหิวเต็มทีแล้วเดี๋ยวจะกลับมากินหล่อนร้องสั่งไปทางเจ้าหัวหน้าบ้านลมช้างที่ทำหน้าที่เป็นนายกองสเสวงอยู่ในขณะนี้เป็นภาษากะเหรี่ยงซึ่งชัดเจนพอสมควรแล้วใบหน้าเดินก้าวยาวๆมุ่งไปทางแอ่งน้า อันเป็นสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วก่อนที่อนุชาจะกระโดดเข้าคว้าตัวทันตาคำสั่งของเชิดาที่ให้หยุดไว้ทุกคนของฝ่ายพี่และเพื่อนจึงต้องจ้าตามทันทีนานอินเคี้ยวหมากยับยับเดินตามหลังมาด้วยอีกคนตีขนาดคู่ไปกับรานชดแล้วกระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วนายชดตอนที่นานอินนั่งคุมอยู่ด้านปลายเท้าของนายหญิง มองเห็นมหาฤาษีโกนทัญะมานั่งประทับทรงอยู่เหนือหัวของนายหญิงตอนนี้ไม่มีอะไรมาทำอันตรายนายหญิงได้แล้วพวกเราตามไปดูก็แล้วกันถ้าขัดใจตอนนี้ประเดี๋ยวแอบหนีไปตรวจดูเองกลางดึกเราจะลำบากกันอีกดารินใช้ไฟฉายส่องนำทางก้าวจ้ำไปอย่างชนิดไม่รอใครอาการของหล่อนดูจะติดข้องอยู่กับอะไรบางอย่างและขุนเคืองจนปราศจากความพรั่นพรึงหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้น ทุกคนที่ติดตามมาจึงได้แต่เร่งฝีเท้าไล่หลังพรถหลอนกึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านบริเวณที่ตนเองนั่งอาบน้ำอยู่ในแอ่งตื้นๆเมื่อครู่ใหญ่นี้กระโดดเหยียบไปตามแก่งแง่หินใช้ไฟฉายส่องกราดไปพลางทั้งชุดที่ตามมาจึงมาทันหล่อนตรงตำแหน่งที่ราชสกุลสาวส่องไฟค้นหาอะไรอยู่หลังหินใหญ่สองก้อนที่โผล่บางขึ้นมาเหมือนช่องทางปากประตูเข้าออก หลอนที้ลำไฟฉายตรงไปยังตำแหน่งที่อนุชาถูกกระแทกล้มหายลกไปก่อนแล้วฉายละไล่ไปในพงเฟินและวัชพืชอันขึ้นอยู่ใกล้น้ําแหล่งชุ่มชื้นมีรอยเหยียบย่ำราบเป็นทางมีอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่พี่ใหญ่กับชายยันยิงถูกกระดูกขาล้มเอาไว้มันล้มอยู่ตรงนี้หล่อนร้องถามขึ้นทุกคนช่วยกันฉายไฟไปยังตำแหน่งนั้นและบริเวณใกล้เคียง ส่วนชายยันตอบโดยเร็วว่าใช่มันหงายหลังขาพับอยู่ตรงนี้แหละแต่เอ๊ะตอนนี้มันหายไปไหนแล้วมีรอยคลานลากตัวมุดเข้าไปในกอว่านกระดาษโน่นนานอินชี้มือบอกดารินขยับตัวจะสาวรอยทันทีแต่พี่ชายใหญ่จับแขนไว้อย่างมั่นคงสั่นสิสะไม่มีประโยชน์อย่าตามมันเข้าไปเลย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 มันเหมือนหุ่นยนต์พอจวนตัวเข้าจริงๆมันก็ทิ้งซากกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกขนาดอีกตัวหนึ่งถูกพวกราระดมยิงจนหัวกระจายหลุดจากบ่าแต่ขามันยังเดินได้มันก็ยังเผ่นหนีหายไปได้เลยหญิงสาวสะบัดมือดีดนิ้วออกมาโดยแรงอย่างขัดใจต่อเหตุการณ์เจ็บใจเหลือเกินเมื่อตะกี้นี้หลอนคำรามออกมาแต่น้อยแน่ใจเหลือเกินว่า ถ้าน้อยตามมันไปทันน้อยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มันเอาซากนั้นไปใช้งานได้อีกแล้วเธอจะทำยังไงเธอคิดว่าเธอมีอาคมคลังนักหรือชายันถามกันรู้สึกแน่ใจแต่เพียงว่าฉันทำได้เท่านั้นเลอนกล่าวอย่างมั่นใจเต็มที่และออกเดินตรวจหาบริเวณหินทั้งสองก้อนต่อไปพบเศษกะโหลกของไออีกตัวหนึ่ง ออกไ ป, ไปด้านหน้าของรูปอื่นลอยหามาทุกคนมองจับเป็นตาเดียวด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกดารินเขี่ยกระเด็นไปทางพี่ชายทั้งสองและเพื่อนมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเศษวัสดุของซากมามีที่หาอายุไม่ได้เท่านั้นความรู้ในทางมนุษยวิทยาของฉันไม่สามารถจะบอกได้ว่ามานานนมมาเท่าไหร่แล้ว โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มนุษย์ได้มีวิวัฒนาการมาหลายรอบจนนับไม่ท้วนจเจริญขึ้นจนถึงขีดสุดแล้วพินาศล่มจมสูญชาติพันธุ์ต่อจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้กี่สมัยกี่ยุคหรือกี่รอบวัฏจักรนิทรานครอาจมีอายุอยู่เมื่อสมัย 4-500 ล้านปีมาแล้วก็ได้ มันอาจนานแสนนานสำหรับชีวิตเกิดตายของพวกเราแต่ถ้าเทียบกับอายุของโลกมันก็คงไม่นานอะไรนะกลาพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองแล้วหล่อนก็เดินไปยังตำแหน่งที่ตนเองเคยยืนอยู่บนเนินหินเพ่อเชิญหน้ามันไตรถามพี่ชายกลางโดยไม่หันกลับมามองว่าทำไมไม่มีใครยิงไอตัวการสำคัญในขนาดนั้นให้ร่างกายบันชีกพิ่นาดย่อยยับลงเสีย ฉันหมายถึงไอตัวที่มันไตรเข้าสิ่งใช้งานอยู่เป็นประจำแทนซากนักบวชล้นเดิมของมันที่ถูกทำลายไปแล้วขณะที่พี่กับพวกเราตามมาเพราะเสียงร้องของกลางทางฝ่ายพวกพี่มองไม่เห็นเธอหรือมันไตรเลยแต่กลางบอกว่าขณะที่เขาเห็นและกำลังจะยิงอยู่นั้นเธอเดินขึ้นเดินหินก้อนนี้แผ่นหลังเธอบังมันไว้พอดีทำใหู้้หญิงไม่ได้ทาได้อย่างเดียวคือวิ่งตามมา แต่ก็ถูกสกัดจากบริวารสองตัวของมันล้มลงซะ ก, ก่อนผู้ตอบคำถามของหล่อนคือเชษดทาขณะนั้นน้องไม่รู้สึกเตลเลยแม้แต่นิดหนึ่งเหมือนคนที่หลับไปด้วยยาสลบหลอนกล่าวเหมือนบนก้าวสูงขึ้นไปอีกใช้ไฟไปรอบด้านยังเห็นร่องรอยการเดินอย่างรีบร้อนแวกพงวัชพืชพลนี้ไปอย่างกระทันหันอีกสี่คนอันประกอบด้วยเชิ้า อนุชาชายยันและนานอินตามขึ้นมาด้วยอากาศกําลังหนาวเย็นขึ้นทุกขณะมีละอองจากน้ำตกที่อยู่ห่างออกไปปลิวมากระทบผิวกายจนชื้นไปหมดหล่อนอยากจะตะโกนเรียกน้ำของมันไตรออกไปเพื่อเชิญชวนหลอกล่อให้มันโผล่ออกมาแต่เกรงทุกคนจะหาว่าหล่อนเป็นบ้าเสียสติไปจึงระงับเสียสัญชาตยานบอกกับตนเองว่า มันไม่น่าจะอยู่ห่างไกลาจากหลอนในขณะนี้เท่าใดนะและคงจะแอบเฝ้ามองอยู่อย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่กล้าโผล่ออกมาให้เห็นเท่านั้นและเชื่อมั่นว่าถ้าหล่อนย้อนกลับไปที่นี่เพียงคนเดียวไอ้จอมผีดิบร้ายนั้นจะต้องปรากฏกายให้หลอนเห็นแน่อันหมายถึงว่ามันจะต้องเข้าทางของหลอนอย่างไม่มีปัญหาแต่ในยามที่พักพวกมากันพร้อมหน้าและอยู่ด้วยในขณะนี้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 เสียงชายยันอุทานออกมาว่าบ้าแล้วน้อยและเทตถาก็ออกคําสั่งมาเฉียบขาดว่าไม่ว่าน้อจะมีแผนการอะไรอยู่ในใจและไม่ได้บอกพวกพี่แต่คอยรู้เถอะว่าไม่เห็นด้วยและห้ามขาดขอให้กลับไปที่พักเราเดี๋ยวนี้นี่เป็นคําสั่งไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นอดิตท่านทูตทหารโบกพี่ชายใหญ่กระชากไล่น้องสาวกึ่งบังคับ ดึงให้ถอยหลังมาจากแท่นหินเอ็นลาดนั้นดารินถอนใจเฮือกจำต้องถอยตามลงมาอย่าไม่อาจขัดขืนได้ระหว่างที่ทุกคนเดินกลับดารินครุ่นคิดอะไรอยู่คนเดียวมาตลอดทางพอผ่านพ้นแอ่งน้ำหลอนเปรยถามว่าใครคิดบ้างไหมว่าขณะนี้เจ้าด้วนของเราอยู่ที่ไหนทุกคนดูเหมือนจะลืมสิอย่างสนิทและเพิ่งจะมานึกถึงช้างแสนรู้ตัวนั้นขึ้นมาได้ เมื่อน้องสาวคนเล็กของคณะเอ่ยขึ้นเออจริงด้วยไอ้ด้วนหายหัวไปไหนชายยานอุทานออกมานายหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรถึงมาในขณะนี้ก่อนเลยนานอินบอกมาเบาๆมันพาเรามาจนถึงแหล่งน้ําแล้วมันก็ตระเวนหากินของมันไปตามเรื่องตอนดึกหรือหัวรุ่งรุ่งนี้อาจ ก, กลับไม่เห็นอีกครั้งถึงมันจะเชื่อสําหรับนายหญิงขนาดไหน มันก็สันดานช้างป่านั่นแหละท่องเที่ยวหาอาหารกินก็ไม่ไปตามเรื่องไม่ได้อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หรอกถ้ามันอยู่ใกล้มันก็ต้องเตือนภัยให้พวกเรารู้บ้างแล้วและไอ้มันตรยก็คงไม่ย่องมาใกล้านายหญิงได้หรอกลุงคิดว่ามันจะมีภัยอะไรขึ้นบ้างไหมขณะ น, นี้ชายันเริ่มสงสัยรานครูสันีรษะถ้าพระของนายหญิงยังไม่หลุดจากคอมัน ไม่ว่าไอ้พวกผีดิบหรือช้างผีสิงตัวไหนทําอะไรมันไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงจะให้มันเหมือนช้างเลี้ยงคอยอยู่ใกล้ชิดพวกเราตลอดเวลาไม่ได้เพราะมันเป็นช้างป่าลําพังตัวมันน่ะปลอดภัยแน่ระวังตัวพวกเราทุกคนไว้ให้ดีก็แล้วกันถ้ามันหวนกลับมาให้เห็นอีกน้อยน่าจะเขกกระโลกหรือไม่ก็เตะมันสักปาบฐานที่มันดันเที่ยวไปสัไกลจนเธอเกือบเสียท่า นีด่ดีว่ากลางหันกลับไปเห็นทันไม่อย่างนั้นยังไม่รู้เลยว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างตอนที่มันสะกดให้เดินตามต้อยๆไปเพื่อนชายพูดปนหัวร้ะแปลงๆฉันไม่โทษเจ้าด้วนร้อมันเป็นความผิดความฉันล่าเพ้อเรอของฉันเองที่ถอดพระเครื่องลางคุ้มตัวออกตอนที่ลงอาบน้ำก็เห็นเห็นอยู่ว่าพี่กลางนั่งเป็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่นึกว่าเพลอชั่วขนาดจิตเท่านั้น มันจะเข้าครอบงมฉันได้แต่ต่อไปนี้ไม่มีทางแล้วและขอให้ทุกคนเชื่อเธอแม้พี่กลาจะไม่เข้าขัดขวางไว้ก่อนจนพวกเราทั้งหมดล่นตรงเข้ามาที่นี่มันก็ไม่ทำร้ายอะไรฉันหรอกอย่างมากก็เอาฉันไปสู่นิทรานครคร้้งก่อนมันก็เคยเอาฉันไปทีหนึ่งแล้วทุกคนหันมามองหน้าหลอนอย่างประหลาดใจน้อยคิดว่ามันประสงดีต่อ น, น้อยงั้นหรือ อนุชาถามเสียงเครียด น, น้องสาวไม่ตอบนอกจากรีดดวงตาลงด้วยความคิดอันซ่อนเร้นอยู่ภายในโตวไม่มีใครเข้าใจเียงอดีตพรานชดบอกต่อมาว่าเธออาจจะต้องกลายไปเป็นผีดิบอย่างมันอีกตัวหนึ่งก่อนที่พวกเราจะตามไปทันก็คงจะดีเหมือนกันนะถ้าน้อยมีสภาพเป็นผีดิบไปอย่างมันได้เพราะบางทีจะช่วยทาให้น้อยตามระพินได้พบเร็วขึ้นอีก เสียงน้องสาวพึมพำออกมาเบาๆไม่มีใครสนใจกับท่อยคำของหลอนระหว่างนั่งรับประทานอาหารเมื่อกลับมาถึงแคมป์ที่พักเชษฐาและชัยยันเท่านั้นที่ปรึกษาหาหรือสนทนากันอยู่บุคคลที่อยู่ในสภาพใช้ความคิดเงียบขรึมมีอยู่สองคนคือดารินและอนุชาสองพี่น้องคิดกันไปคนละอย่างแต่ก็ร่วมอยู่เหตุการณ์เดียวกัน น้องสาวเล็กกำลังคิดวาดแผนอะไรอยู่ในใจซึ่งไม่อาจอธิบายหรือเปิดเผยให้ ใ, ใครทราบได้ส่วนอนุชาในฐานะหัวหน้าทีมหรือมัรคุเทศนำทางก็กำลังค้นหาวิธีที่จะจัดการกับอิทริทของจอมผีดิบมันไตรซึ่งเมื่อหยกยกนี้มันเกือบจะเอาชีวิตของเขาเสียแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเชฐาใช่ยันและพรกพวกตามมาทันแล้วช่วยกันยิงสกัดกั้น เหตุการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาเผชิญหน้ากับไอ้พวกผีดิปเหล่านั้นในระยะประชิดตัวนอกเหนือไปจากการประจันบานกับโขลงช้างภายใต้อำนาจปกครองของมันเพราะช้างป่า น, นั้นถึงแม้จะถูกอำนาจของมันควบคุมบังคับเช่นไรก็ยังเป็นสัตว์มีชีวิตร่างกายเยี่ยงสัตว์โลกธรรมดาและพอจะปราบได้จากลูกปืนแต่ไอ้เหล่าอามนุษย์สมุนบริวารของมันเหล่านั้นสิ เป็นสิ่งที่เขาจะต้องคิดหนักมันสามารถจะทำการร้ายได้ทุกชนิดแม้แต่จะเข้ามาทำร้ายจนถึงตัวซ้ำยังปราบมันได้ลูกปืนไม่อยู่มาเฉียบขาดข้ามันไม่ตายเพราะมันร้ายชีวิตไร้เลือดเนื้อมีแต่พลังงานโดยอาศัยซากเก่าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยอำนาจเวทมนต์เยี่ยงหุ่นยนต์เขาเห็นกับตาขณะถูกกระสุนของฝ่ายตนที่ระดมยิงมาหลายนัดจนศีษะ ก, กุดหายไปมันก็ยังเดินหนีไปได้ และแม้ตัวที่ถูกยิงทำลายกระดูกขาแหลกล้มลงพอรับตาเท่านั้นมันก็คลานลากตัวเองพาซากนี้ไปได้อย่างน่ากลัวที่สุดลงอยู่ในลักษณะ น, นี้แล้วเขาจะจัดการกับพวกมันได้อย่างไรการจะใช้ลูกปืนหรือเครื่องยิงระเบิดทำลายซากของมันแต่ละตัวให้ย่อยยับไปทีละตัวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะกระทำได้เพราะจำนวนของพวกมันไม่ใช่มีอยู่เพียงตัวสองตัว ลำคอบริเวณกระเดือกของเขาคงหักแหลกแน่ ถ, ถ, ถ้าอุ้งตีนของมันเหยียบลงมาดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ลูกปืนนับสิบระดมเข้าปะทะผลักออกไปซะก่อนสัตว์มีชีวิตทุกชนิดถ้ายิงถูกที่สำคัญเพียงนัดเดียวก็สังหารได้แล้วแต่สภาพที่เขาเห็นมันหมายถึงว่าจะต้องทำลายส่วนในซากของมันบริเวณที่จะใช้พลังเข้ามาทำร้ายให้ย่อยยับไปซะก่อนจึงจะสกัดกั้นได้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 ดูหลอนจะอยู่ในสภาพที่ลองดีและท้าทายกับไอ้ผีร้ายพวกนี้เหลือประมาณหลอนไม่มีอาการหวั่นไหวพรั่นพลึงต่อพวกมันเลยแทนที่จะหลีกหลบหนีหลอนกลับจะเป็นฝ่ายมุ่งมั่นเข้าหามันอันทำให้ต้องระวังยากขึ้นอีกนี่คือข้อหน้าวิตกกังวลยิ่งไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยว่านอกจากเล่กนเพทุบายสารพาที่มันตราเตรียมไว้เล่นงานพวกเขาแล้ว มุนบริวารของมันก็คงจะแยกย้ายกระจายกระจายดักซุ่มอยู่ทั่วไปในทิศทางที่จะบ่ายหน้าไปเพื่อรอโอกาสที่จะโผล่เข้ามาลอบโจมตีในรูปแบบต่างๆมันเปรียบไม่ผิดอะไรกับการทําสงครามกับกองทัพ ท, ที่ไม่รู้จักคําว่าตายดารินนิ่งเงียบไม่มีใครสงสัยแต่พรานชนเงียบซึมไปเช่นนี้พี่ชายใหญ่กับเพื่อนเริ่มสังเกตทันที ดูแกมีกังวลหนักใจมากนะกลางชายยันสกิจถามระหว่างที่อนุชาก้มหน้านิ่งอยู่กับถ้วยกาแฟยอมรับในข้อนี้อดีตนักเดินดงผู้ยิ่งใหญ่สารภาพน้ำเสียงของเขาจริงจังเป็นงานเป็นการฉันบุกรายกับนานอินคราวก่อนนี้ไม่เคยพบสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วลูกปืนของฉันปราบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะนำอันตรายมาสู่ได้ ใช้ความรวดเร็วความแม่นยำและเลือกจุดหมายสำคัญในการยิงภัยจากธรรมชาตินั้นเราก็เลี่ยงได้โดยการอ่านรหัสรู้ล่วงหน้าหาที่ป้องกันหลีกหลบภัยจากความอาถรรพ์ตามกฎเกณฑ์ของป่าใหญ่เราก็ใช้วิธีบวงสวงขอสมาลาโทษและขอเปิดทางแต่ไอ้ภัยจากเวทบนกาลีที่มันคอยมุ่งร้ายหมายขวัญเราอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าฉันแก้ไม่ตก ไอ้อ่ามนุษย์พวกนี้มันไม่มีจุดตายเพราะมันได้ตายไปก่อนหน้านแล้วและไม่รู้จักความตายจริงอยู่เหตุการณ์ตะกี้พอจะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราใช้กระสุนขนาดหนักหลายๆนัดทำให้กระดูกแขนขาของมันแหลกไปจะทำให้มันเชื่องช้าลงและร้า ย, ายสมรรถภาพที่จะเข้ามาทำอันตรายเราได้แต่คิดดูเราจะมีโอกาสยิงมันไดห้หลายนัดทุกครั้งไปหรือ เชิดฐาและชายยันอึ้งไปครู่แล้วแกคิดว่าเราพินล่วงหน้ามาก่อนแล้วด้วยวิธีการยังไงเพื่อนตายของเขาถามในเชิงขอความเห็นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราพินมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวของเขาซึ่งฉันไม่มีได้ถึงอย่างนั้นก็ตามเราพบกันแล้วว่าลูกขาบของเขาสองคนก็ถูกไอ้พิธิตพวกนี้หักคอทิ้งเสียสองคนจนถึงกับต้องเอากระเลียงอูฐและพาโต้มาใช้งานทดแทน พวกเราที่มากันนี่ทั้งส6หคนยังไม่มีใครเพลียงพล้ําถึงแก่ชีวิตเลยแต่ระพินก็มีตายไปสองคนแล้วจากฤทธิ์ร้ายของมันตรยัยเทถาถอนใจยาวแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆระมัดระวังว่าจากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วพี่และชัยยันพอจะรู้นะว่าเรามีวิธีแก้อาถรรจัทรายของมันตรายอย่างไรหยุดเว้นระยะ น, นิดหนึ่ง จำเลืองไปที่น้องสาวผู้นั่งเม่อมองดูกองไฟอยู่น้อยเองก็รู้ดีแต่มันเป็นสิ่งที่กระดาษปากมากที่พี่จะพูดออกมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หมายความว่าเราจะพิชิตมันได้อย่างเฉียบขาดแต่เท่าที่เราเคยใช้นั้นเพียงแค่ใช้ท่อนไม้กระทุงถูกตัวของพวกมันเท่านั้นก็หงายผึ่งไม่กระดิกกระเดียและเวทมนตร์ของมันไตรไม่อาจจะหวนกลับมาสิงสู่ในซากนั้นได้อีกเลย มันเป็นวิธีการของบุญคําที่พี่เคยรู้เคยเห็นดาริน่าแดงเล็กน้อยขยับตัวอย่างอึดอัดแล้วก็เอ่ยออกมาว่าพี่ยายหมายถึงเมนหรือเลือดประจําเดือนจากผู้หญิงที่จะนํามาเช็ดป้ายเข้ากับสิ่งที่เราจะใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับมันค่ะไม่ว่าจะเป็นปลายไม้ดาบหรือแม้แต่ลูกปืนลอนอธิบายให้พี่ชายกลางฟังอย่างพยายามข่มความกระดาแต่เป็นที่น่าเสียดายในข้อที่ว่า ขณะ น, นี้ตัวน้อยที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะยังไม่ถึงกำหนดรอบเดือนและจากสภาพจิตใจอันไม่ปกติเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเครียดหนักอยู่ในขณะ น, นี้มันคงจะหยุดชะ ง, งักคลาดเคลื่อนไปกว่ากำหนดเวลาปกติของมันจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อนุชาเอื้อมมือมาลูบหลังน้องสาวเรื่องนี้ลุงอินก็เคยมากระซิบบอกพี่อยู่เหมือนกัน แต่พี่ก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดกับน้อยได้และอยากจะหาวิธีอื่นจะมากกว่าพี่ยังไม่อยากจะให้น้องสาวของพี่เป็นส่วนหนึ่งของเดราชานวิชาที่จะนำมาแก้ลากับไอ้มันตรและบริวารของมันมันคล้ายๆกับว่าพวกเราสิ้นคิดกันแล้วและน้อยก็คงรู้สึกประดักประเดิดมากพี่เข้าใจดีเดี๋ยว ขอให้พี่ลองปรึกษาลุงอินดูอีกครั้งว่าเราจะมีวิธีอื่นใดอีกบ้างนอกเหนือไปจากสิ่งอันนาเกลียดนั้นถึงอย่างไรเสียลุงอินก็มือโคละชั้นกับตาบุญคำอยู่แล้วกล่จบอนุชาหรือพรานชดก็ขยับตัวลุกขึ้นเดินไปสกิดไห ล, ล่ครูพรานซึ่งกำลังนั่งคุยอยู่กับพวกลูกหาบและขยินเอาตัวแกปลีกทางออกไปยังมุมหนึ่งนั่งซุบซิพูดอะไรกันอยู่พักใหญ่แล้วทั้งคู่ก็พากันเดินเข้ามายังเชษฐา ชายันและดารินที่กำลังนั่งรอคอยอยู่พ่อถึงหนานอินก็ซุดตัวลงนั่งอย่างสงบเขาหน้าของแกเรียบสนิทไม่สอแววอะไรทั้งสิ้นในขณะ น, นี้เอ่ยขึ้นกับทุกคนอย่างรับรู้อะไรมาล่วงหน้าแล้วเดวรชานวิชา น, นั้นทำให้เกิดอิทธิฤทธิในทางก่อกวนราวีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นคงไม่คนทนถาวร และยามใดที่ผู้ใช้อยู่ในความประมาทเผลอตัวมันก็จะกลับเข้าหาตัวเองกริยามลไซยเวทอาคมและคุณใสที่วิญญาณร้ายของมันไตรยัยกำลังเล่นงานพวกเราอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะแรงฤทธิ์มีอิทธิอำนาจสักเพียงไหนมันก็เป็นเพียงแค่อาคมของพ่อมดผู้จมอยู่ในปลักบาปเท่านั้นนันอิจจะต่อต้านกับมันด้วยเวสโมลคาถาอันเป็นอปริยะวิชาชนิดนี้ ก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็จะผิดสัจจาที่นานอินถวายไว้ให้แล้วแก่อรหันเจ้าผู้เป็นพระอาจารย์ทั้งหลายแม้แต่นายระพินแกก็ยังไม่ยอมใช้เวทมนตลีเหล่านี้ทั้งที่แกก็เรียนรู้มามากกว่าไอคาซะอีกเพราะจะหาความเจริญเป็นราศีแกตนไม่ได้มีแต่ความอับประมงคนเศร้าหมองลุงเริ่มต้นดีเหมือนพระคงแกเรียนเทศนา แต่ลุงยังไม่บอกเลยว่าลุงจะทำยังไงเมื่อแกหยุดเว้นระยะและนิ่งไปชายันก็เตือนขึ้นมงคลวิชาอัานมีคุณพ ร, ระรัตระณะตรายเป็นที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้นที่จะให้คุณแก่ผู้ใช้และทรงอำนาจบรารมีอยู่ถาวรอนจะแก้ไขระดับพิษคุณใสเวทมนตรีทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเหนือไปกว่าพระพุทธานุภาพทันมานุภาพ และสังขานุภาคตลอดทั้งสามโลกนี้ทั้งสวรรค์สุดชั้นพรหมแผ่นดินเป็นอันพบของสัตว์โลกและนรกบาดาลทุกขุมผู้ที่จะเข้าถึงได้ก็จะต้องมีศีลและสัตว์เป็นพื้นฐานมีสมาธิจิตอันแน่วแน่มั่นคงอันจะก่อให้เกิดเป็นตบะฌานบารมีขึ้นนั้นอินนั้นยังไม่มีฌานบารมีพอที่จะอัญเชิญมงคลวิชาจากอรหันต์เจ้า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 มาเป็นเครื่องคุ้มครองหมู่คณะได้คนแรกนั้นแลเห็นผาดผ่าดว่าจะทำได้คือนายหญิงเพราะแม่นยำยึดมั่นอยู่ในพระมหาคาถาอันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังมีโทสัจริตและความวิตกกังวลมาเป็นนิวร์ขวางกั้นไว้นายหญิงก็อาจเหมือนนานอินคือแค่เพียงเอาตัวเองให้รอดเท่านั้นถ้าถึงคราวจาเป็นแต่ยังแผ่บารมีไปปกป้องผู้อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่คนเดียวเท่านั้น สิ้นคำกล่าวเนิบๆ น, นั้นแกยกมือชี้มายังเชษฐาวราริษนายใหญ่คนนี้แหละเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนานอินนั่งมองอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเงาของอรหันต์หลายองค์สเสด็จมาประทับเหนือศีรษะของนายใหญ่เชษฐาก็หมวยคิ้วนิดหนึ่งอึ้งไปนานแล้วที้ที่อกตัวเองฉันเหรอใช่แล้วนายใหญ่เองนั่นแหละ บัด น, นี้อนุชาชัยยลดารินมองจับไปยังพี่ชายใหญ่ของคณะเป็นตาเดียวอดีต ท, ท่านทูตทหารโบกหัวหน้าคณะผู้พร้อมไปด้วยคุณธรรมสูงส่งอึ้งไปอีกครั้งเส้งที่พูดมาของนานอินหนักแน่นมั่นคงยิ่งนะักและกล่าวช้าๆต่อมาว่านายใหญ่สำรวจจิตตั้งสมาธิเข้าฌานได้แล้วเพื่อทำน้ำมนนันอินจะจันสิ่งของมาให้เดี๋ยวนี้ แล้วจะแนะให้ว่านายใหญ่จะต้องทํายังไงบ้างกล่าวจบแกขยับตัวเชษฐาก็ท้วงมาทันทีว่าแต่ฉันไม่เคยทําน้ำมนต์มาก่อนเลยนะและไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทําอะไรบ้างไม่เป็นไรประเดี๋ยวนายใหญ่ก็จะรู้เองว่าจะต้องทํายังไงบ้างมหาฤาษีโกนธัญญะอยู่เบื้องหลังของนายใหญ่แล้วท่านจะเข้าประทับทรงทันทีที่นายใหญ่สํารวมจิตเข้าสมาธิ แล้วทุกคนจะเห็นกับตาว่าน้ำที่นานอินใส่ขันนำมาตั้งไว้ข้างหน้านายใหญ่จะสําแดงอะไรขึ้นมาให้เห็นถ่า น, น้ำในขันเดือดพล่านเหมือนน้ำถูกไฟรอนอยู่ข้างใต้เมื่อไหร่นั่นก็แปลว่านายใหญ่ทำได้สําเร็จแล้วปืนทุกกระบอกของพวกเราจะถูกประพรมด้วยน้ามนต์ น, นี้แล้วกระสุนที่ยิงออกไปจากปืนที่พรมน้ำมนต์แล้วผ่านกระทบซากของไอ้พิดิบตนใดแม้เพียงแค่สกิด มันจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกเลยไม่จําเป็นจะต้องยิงให้ซาของมันเละแหลกเลวหมดเปลืองลูกปืนเหมือนอย่างที่เรายิงเมื่อตะกี้นี้ระหว่างที่เชี่ถาอยู่ในภาวะลังเลมไม่แน่ใจดารินก็บอกอย่างเร่งด่วนว่าลุงอินพูดถูกแล้วค่ะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพี่ใหญ่อีกแล้วในบรรดาพวกเราทุกคนพี่ใหญ่ต้องลงมือเดี๋ยวนี้อย่าช้าเลย ลุงอินไปจัดการหาสิ่งของมาเร็วๆ เ, เข้าอนุชาและชัยยันก็สนับสนุนมาเป็นเสียงเดียวเชษฐาเมมบริฟิบาเป็นเส้นตรงแล้วตัดสินใจพยักหน้าลงตกลงแม้จะไม่เคยริ่ำเรียนทางวิทยาอาคมใดๆมาก่อนเลยแต่เชษฐาก็ยึดมั่นในธรรมะอย่างเคร่งครัดมาตลอดเท่าที่สัตตาบุุษผู้ครองเรือนจะพึงปฏิบัติได้ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมและสัจจ พอจะเข้าใจในพิธีกรรมชนิดนี้มาบ้างถึงจะไม่เคยปฏิบัติด้วยตนเองมาก่อนก็ตามอดีตท่านทูตทหารบกผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันทีมาเป็นชุดขาวห่มขาวข้างนั้นอินก็นำเอาขันน้ำพลาสติกบรรจุน้ำสะอาดมาขันหนึ่งปูผ้าลงกับพื้นทูบสามดอกแรกคือพระพุทธพระธรรมและพระสังฆเจ้าชั้นอรหันต์ถูกจุดขึ้นด้วยมือของเขาเอง แล้วนาไปปักไว้บนที่สูงอีก16ดอกอันหมายถึงโสรส ถ, ถูกจุดขึ้นอีกครั้งเทียนขี้พึ่งธรรมดา1ดอกและเทียนใจที่นานอินมีไว้ในย่ามส่วนตัวแกมีรอยเคยจุดใช้แล้วอีกหนึ่งดอกปักลงตรงแง่หินสูงเหนือขันน้ำซ้ายศินวงล้อมเป็นอานาบริเวณเฉพาะบริเวณที่เขาถูกกำหนดให้เข้าไปนั่งสมาธิโดยหันหน้าไปทางเหนือเฉียงตะวันตกเล็กน้อย ซึ่งนานอินบอกว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งภูเขานินลการที่สถิตของมหาฤาษีโกนทัญญาบุคคลที่จะนั่งกำกับอยู่เบื้องหน้าของเขาคือครูพรานนานอินนั่นเองส่วนที่อนุญาตให้นั่งกำกับหลังคือดารินเชถาเป็นผู้กระซิบบอกมาเองก่อนเริ่มพิธีโดยสั่งว่าระหว่างที่พี่นั่งบริกรรมสำรวมจิตอยู่น้อยเข้าสมาธิด้วยอีกคนด้านหลังพี่ สวพระคาถาชินนวันชรไปในใจจนครบส6หคาบอย่าวกแวกเป็นอันขาดส่งพลังจิตเข้ามาที่พี่ด้วยล่อนปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอนุชาชาั ย, ยัานนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆได้รับคำสั่งไม่ให้พูดหรือส่งเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นและพวกลูกหาทุกคนรวมทั้งขยินพอมองเห็นพิธีกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็พากันเข้าวันล้อมนั่งรอบอยู่เป็นวงกลม ทุกคนเงียบกริบดูเหมือนจะเข้าใจอะไรอยู่บ้างแม้จะยังไม่กระจ่างนะักเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนานอินก็เริ่มสวดขอพอรจากเทพูพิทักษ์ปาเขาลำเนาไพรขึ้นก่อนเป็นภาษาที่ทุกคนฟังไม่เข้าใจต่อมาก็สวดชุมนุมเทวดาแบบย่นย่อแล้วเริ่มชยันโตพอครบหนึ่งจบแกก็หยุดนิ่งพนมมือเงียบสงบอยู่เช่นนั้น เชษฐาวดาริทไม่ได้หลับตาแต่เพ่งมองไปที่เทียนชัยสำรวมจิตแน่วนิ่งขออำนาจบารมีจากผู้ทานุภาพตลอดจนอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ภายในบริเวณเงียบกริบได้ยินแต่เสียงปะทุแตกเปรยะเปรยะของเทียนชัยและควันทูบที่ลอยตัวขึ้นอย่างแช่มช้าขณะนั้นลมสงัดอย่างน่าประหลาดไม่ได้พัดเลย และเปลวไฟจากปลายเทียนชัยเป็นรูปกลวยนิ่งไม่ได้ไหวแม้แต่น้อยราวกับเทียนไฟฟ้าฉะนั้นในสมองส่วนลึกของเขาหรือมิฉะนั้นก็ดวงจิตแววเสียงสวดภาวนาของดารินอย่างชัดเจนแม้ว่าหลอนจะไม่ได้เปล่งออกมาเป็นวาจาเลยและเขาก็ภาวนาตามอัตถะคาถานั้นเหมือนหลอนจะเป็นผู้บอกอยู่เบื้องหลังชายาสนา กาตาพุท ธ, ธาเชตวามารังสวะหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาแปลว่าข้าขอเชิญเสด็จรสันเพชรพุทธองค์นราสภาทรงพิชิตมารและเสนาน้ำตาจากเทียนชายหยดลงไปสู่ขันน้ำนั้น ช้าๆทีละหยดลมยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างถูกสะกดตรึงให้สงบอยู่กับที่แม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกเสียงน้ำตกใหญ่ที่ไหลสู้ซาเป็นช่อชั้นลงมาอันไม่ห่างลงไปนักบัดนี้ดูจะลอยเงียบหายไปด้วยจากโส ด, สดับของทุกคนพอครบ16คหาบจากสายตามไม่กระพริบก็เลยของเชธธิฐาอันจ้องที่เปลวเทียนชายนั้น เปลวเทียนค่อยๆรีลงตามลำดับทางนั้นที่เป็นแท่งยาวใหญ่จนกระทั่งรีดับวับไปเองด้วยการเพ่งของเขาและน้ำตาเทียนหยดลงมาในขันน้ำมนต์ครบ16หยดพอดีณ บ, บัดนี้น้ำในขันก็แตกเป็นพลายเดือดอยู่รุ่งพลานราวกับถูกไฟลนอยู่เบื้องล่างเป็นที่ประจักษ์ชัดกับทุกสายตาอันจ้องมาอย่างตื่นตะลึง อนุชาและชายยานเพ่นขึ้นยืนพร้อมกันส่วนพวกลูกหาบส่งเสียงครางฮือน้ำมวลยังเดือดพลั่งพลังอยู่เช่นนั้นเชษฐาละจัดสมาธิก้มลงกราบสามครั้งแล้วค่อยๆทดลองแย่นิ้วลงไปที่น้ำอันกำลังเดือดอยู่นั้นปรากฏว่ามันเย็นเฉียบราวกับน้ำที่แช่ในตู้เย็นตรงข้ามกับอาการที่แตกพลังเป็นฟรายอยู่คลักลักทุกคนเอาปืนและกระสุนมาเร็ว ทีละสองสามกระบอกก็ได้ไม่ต้องมากทยอยเข้ามาเป็นชุดๆนานอินร้องประกาศขึ้นเร็วปรือชุดแรกเป็นรายเฟิรนของคณะนายจ้างทุกคนที่เข้ามาเรียงรายไว้พร้อมกับกล่องกระสุนเท่าที่คิดว่าจำเป็นจะต้องใช้งานเชษฐถายกขันนั้นจบขึ้นเหนือศีรษะแล้วใช้มือขวาวักขึ้นประพรมลงไปยังปืนเหล่านั้นถัดไปจึงเป็นปืนของนานอิน ขยินและพวกลูกหาทุกระบอบตามลำดับชายยันสั่งให้นำเอาเอ็มแบบคอมบันโดที่มีติดมาด้วยเครื่องยิงระเบิดเ7 9และแม้แต่ปืนโพสซันประจำตัวตลอดจนมีดและคารหาสัมาระทุกอันเข้ามาให้เชษถาประพมจนหมดสิน้นทุกคนขนลุกอยู่สู้สู้ด้วยความปราบปลื้มปิติใจห้ามประมาทห้ามตะโกนร้องด่าท้าทาย และจะใช้ต่อเมื่อถึงยามจําเป็นเท่านั้นเชษฐาประกาศอย่างสงบกับทุกคนแล้วเขาก็เรียกทั้งหมดให้เข้ามานั่งรับการพรมน้ำมนต์ทุกคนที่เหลือส่งไปให้เวียนกันดื่มจนหมดจากนั้นตนเองก็ถอดได้ใส่สินที่นานอินวงล้อมไว้ที่มือตอนเองเข้าไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นชุดเดิมแล้วเดินกลับออกมาก่อดนานอินและดารินไว้คนละข้างจากนั้นก็เข้าไปกอดอนุชาและชา ย, ยัน ต่อไปนี้เราจะไม่หวันไว้ต่อมันตรายและบริวารของมันอีกแล้วเราเห็นสิ่งอันแสดงคุณวิเศษทางผุ้ทานุภาพนี้แล้วเชษฐาแต่ทำยังไงเราถึงจะทดสอบได้ชา ย, ยันก่าบขึ้นอย่างกระตือรือร้นเห็นกันชัดๆคาตาขนาดเปลวเทียนรีดับเองเมื่อครบ16หยดและน้ำเดือดพล่านอย่างนี้เธอยังไม่เชื่อ อ, อีกหรือช ย, ยันดารินถาม ไม่ใช่มีเชื่อแต่อยากจะลองดูเท่านั้นถ้าพอมีทางจะลองได้ก่อนใช้งานจริงเพื่อนชายบอกมาจากความรู้สึกแท้จริงของเขาก็ไม่ยากอะไรในเรื่องนี้ลุงอินมีสายศาสตร์ชั้นต่ำจะเรียกว่าเดรชาวิชาก็ได้ในการจะ ท, ทามหาอุดไม่ให้ปืนหรือของมีคมทำอันตรายได้ฉันจะให้แกเศษก้อนหินสักก้อนเอาไปวางไว้และฉันก็ยังมีปืนลูกกรดสั้นอยู่กระบอกหนึ่งในเป้หลัง ทั้งปืนทั้งกระสุนไม่ได้เอาออกมาประพรมน้ำมนต์ด้วยฉันจะให้แกลองยิงดูแล้วดูซิว่าแกจะยิงออกไหมถ้ายิงไม่ออกก็แปลว่าอาคมขั้นต่ำบังคับปืนกระบอกนี้ไว้ได้หลังจากนั้นเราจะให้แกใช้ปืนที่พรมน้ำมนต์แล้วทดลองยิงดูอีกครั้งเพื่อหาข้อแตกต่างลองดูไหมอนุชาเป็นคนพูดขึ้นเอ๊เข้าทีดีนี่ ขออนุญาตลองตามที่กลางบอกนี่หน่อยได้ไหมประโยคหลังชา ย, ยันหันไปถามเชษฐาอันเป็นผู้ทมน้ำมนต์นั้นจะลองดูก็ได้อย่างน้อยก็จะยิ่งทำให้กำลังใจของพวกเราดีขึ้นว่าแต่ลุงอินทำได้หรือชนิดเศษ ก, ก้อนหินให้ยิงไม่ออกนะ่จาาซีนาสงบเฉยไม่สอบปฏิกิริยาหรือคุยโวอะไรทั้งสิน้นครูพรานผู้เพียรพร้อมไปด้วยสยเวทอาคม ก้มลงหิตก้อนหินมาจากพื้นขึ้นมาก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นกลั้นใจร้าอาคมอะไรอยู่อึดใจและนำไปวางไว้บนโขดหินนอกที่พักห่างเพียงหกถึงเจ็ดเมตรแล้วเดินกลับเข้ามาพูด ก, กับอดีตพรานชดว่าไหนปืนกับกระสุนของนายที่ว่ายังไม่ได้พรมน้ำมนตนะ์น่ะเอามาส่งให้นายทหารสิแล้วให้นายทหารยิงถ้ามันมีนัดใดนัดหนึ่งลั่นแม้แต่โป้งเดียว นานอินจะนอนให้เหยียบเลยของคนนี้มันง่ายง่ายไม่งั้นหนานอินไม่อยู่มาจนถึงเดี๋ยวนี้หรอกคำพูดของแกทำให้ทุกคนตื่นเต้นอีกครั้งอนุชาไปที่เป้หลังของตนคว้าปืนลูกกรดสร้าั้นแบบซิงเกิลแอคชั่นมาส่งให้ชายันพยักหน้าบอกว่าเอา้ายิงก่อนยิงก็ตรวจกระสุนเสียก่อนมันครบหกนัดนั่นแหละใช้จุดสองอนแมกนัม um ด้วย ใช้ยันรับมาโดยเร็วเปิดประตูท้ายโม่เทกระสุนออกมาสำรวจพบว่าบรรจุด้วยลูกโกรดแมกนัมแต่ละนัดใหม่เอี่ยมแล้วมองหน้าพักพวกคนโน้นทีคนนี้ทีเชษฐาก็เพียกหน้าเป็นความหมายให้ลองยิงดูอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงขนมือขึ้นกล่าวขึ้นดังๆว่าเจ้าประคุณลูกไม่ได้คิดที่จะลองดีในพระพุท ธ, ธานุภาพ และ อ, อรหันต์เจ้าทุกพระองค์ที่ประธานสวัสดิภาพโชคชัยมาให้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายกาลีที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เลยแต่ขอให้ลูกได้เห็นเป็นขวานตาสักนิดเถิดก่อนจะไปะเผชิญหน้ากับของจริงพระคุณเจ้าทั้งหลายอย่าได้คิดว่าเป็นการลบหลู่ดูแคลนเลยกล่าวจบเขาก็นั่งนกขึ้นเล็งไปยังก้อนหินที่นานอินเอาไปวางไว้นั้นแล้วลั่นกายอย่างบรรจง เสียงนกสับลงไปบนท้ายเข็มแทงชนวนดังแชะทุกคนยืนดูเงียบชา ย, ยันง้างนกอีกและยิงจนครบหกนัดที่บรรจุอยู่ผลอย่างเดิมคือไม่มีนัดไหนลั่นเลยสักโป้งสา ย, ยาเว่ของนานอินพิสูจน์ชัดว่ามีอิทธิอํานาจยิ่งชา ย, ยันกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆแล้วยิ้มแย้ลุงอินลุงนี่มีดีเกินกว่าที่พวกเราจะรู้สอีก นี่มันก็แค่เดรัชานวิชาชั้นต่ำเท่านั้น แ, แค่ทําให้ปืนยิงไม่ออกเวทมนต์ของไอ้ผีดิบนั่นมันยิ่งกว่านี้หลายเท่านัก น, นานอินบอกมาพร้อมกับหัวร่าหือห้อในลําคอและพยักหน้าบอกต่อมาว่าคราวนี้ลองใหม่มาหาอุดของนานอินจะทานอํานาจผููทานุภาพจากปืนกับกระสุนที่พรมน้ํามนต์ไว้แล้วได้ไหมเอาปืนสร้างของนายทหารที่พรมน้ํามนต์แล้วนั่นแหละลองยิงดูนายทหารอยากเห็นไม่ใช่เหรอ ชา ย, ยันคว้าลูกโม่จุดสี่สี่แมกประจำตัวที่ผ่านการปราบโมน้ำมนล์ไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาทันทีเอานะคราวนี้ลองใหม่เขาร้องบอกทุกคนเอ้ยิ่งชา ย, ยันเชษฐาอนุชาและดารินร้องบอกมาเป็นเสียงเดียวกันชา ย, ยันจับสองมือง้างนกยกขึ้นเลงแล้วแตะไก่ ทันทีที่นกสับลงเสียงระเบิดของกระสุนจุดซีซีแม็กนั่มจากปืนสั้นดังสนั่นที่พักและก้อนหินลงอาคมของนานอินที่นำไปวางเป็นเป้าอยู่กระจายวับไปกับตาเหลือไว้แต่เพียงฝุ่นคลุง้งท่ามกลางทุกสายตาที่เพ่งจับดูอยู่ชายยานนั้นแทบกระโดดตัวลอยหน้าแดงกลำ่ำโผเข้ากอดเชษดาไว้ยังลืมตัวตะโกนลั่นว่าชายโยเราได้อำนาจที่เหนือกว่าอำนาจจันไรยของไอ้มันตรัยแล้ว คราวนี้ให้มันแหกเข้ามาเถอะนัดไหนก็นัดนั้นถ้าตูมออกไปมันจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกแน่นอนอนุชา ย, ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกและทุกคนในคณะรวมทั้งพวกลูกหาบบังเกิดความมั่นใจอย่างเต็มที่พร้อมด้วยขวัญและกำลังใจและเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นอนุชาเองเอากระสุนที่ชายยานยิงแล้วไม่ออกถอดออกมาบรรจุใหม่ เลือกขอบของกระสุนบริเวณที่ยังไม่ถูกเข็มแทงชนวนสับลงไปให้ตรงกับตำแหน่งที่เข็มจะตีลงมาใหม่อีกครั้งแล้วส่งให้ชายยันเอาละ่ะลองอีกทีเดี๋ยวจะหาว่ากระสุนของชั้นเก่าที่ยิงก้อนหินเศษของลุงอินไม่ออกตะกี้นี้คราวนี้แกลองยิงใหม่สองปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าดูซิว่ามันจะลั่นไหมชยยันรับมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกในขณะนี้ ก้าออกไปพ้นบริเวณเพิงหินที่เข้ามาพักกันอยู่สองปากกลากล้องขึ้นฟ้าแล้วง้างนกลั่นไก่มันก็แผดเปรียงแสบแก้วหูสถานไปในความเงียบของราตรีกลางไพรพรึกแสดงว่าทั้งปืนและกระสุนของอนุชาที่เขายิงไม่ลั่นเมื่อครู่นี้ขณะที่จ้องเล็งไปยังก้อนหินเสกของนานอินยังใช้ได้ดีทุกประการลูกหาได้ด้านไม่ชายยานตาวาด้วยความดีใจขีดสุด เขยิงเพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วส่งปืนคืนให้เจ้าของโดยไม่จําเป็นจะต้องยิงพิสูจน์ดูให้หมดทั้งหนัดเพราะแน่ใจว่ามันจะต้องลั่นแน่ทุกนัดได้อํานาจทางพระพุทธคุณตามข้อแนะนําของนานอินเป็นที่แน่ใจและพอใจกันทุกคนแล้วเชษฐาก็บอกให้พวกลูกหาดเตรียมพักผ่อนได้โดยก่อไฟนอนรวมกลุ่มกันอยู่ยังตําแหน่งที่พักใต้เพิงหินอันปลอดภัยที่สุดในภูมิประเทศแวดล้อมเช่นที่เผชิญกันอยู่ ตัวเขาเองน้องและเพื่อนร่วมตายยังคงนั่งผิงไฟดื่มกาแฟกันอยู่มีนานอินกับขยินอันจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญของคณะในการเดินทางเข้ามาร่วมวงอยู่ด้วยเราจะมุ่งเข้าหานครหลับที่เองเคยผ่านกับพวกเจ้านายมาแล้วนานอินหันไปพูด ก, กับขยินเองคิดว่าพอจะจำทางได้ไหมเจ้าองคุลีมานแห่งลมช้างซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนิสัยจากคนขี้ขาดกลัวผี กลายมาเป็นคนกล้าหาญต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะระพินฝึกเสียจนกลายเป็นคนใหม่นั่งคิดอยู่ครู่ก็พยักหน้าบอกง่ายๆว่าถ้าเข้าถึงที่ใกล้เคียงข้าก็พอจะจาอะไรได้บ้างพรุ่งนี้เราจะอ้อมเขาน้ำตกเข้าดงดิบมุ่งไปทางเหนือเฉียงเฉียงตะวันตกถ้าพบทุ่งโล่งบนที่ราบสูงก็มันละนะครหลบับอยู่ตรงนั้นแหละมีอะไรเป็นข้อที่เองพอจะจาได้มั่ง ครูพรานถามต่อไปอย่างแสวงหาข้อมูลเพราะเชื่อแน่ว่าจะอย่างไรเสียนายใหญ่นายทหารหรือนายหญิงก็คงจะไม่แม่นยามต่อสถานที่ใดได้เท่ากับลูกป่าโดยกำเนิดอย่างขยินตลอดเวลาที่นานอินเรียกขยินเข้ามาปรึกษาฝ่ายเจ้านายร่วมฟังอยู่ด้วยมันมีขอบกำแพงเมืองมีเนินเขาสูงๆต่าๆเป็นป่าช้า มีกองหินหักเหมือนบ้านเมืองพังอยู่กลางทุ่งราบที่เห็นง่ายแล้วก็ซาก ข, ของปราสาทพันธุมบดีกลางดงถาวันที่นายใหญ่ระเบิดทลายไว้ขอให้เฉียดเข้าไปใกล้เถอะข้าจำได้แน่ลุงเออดีถ้างั้นพรุ่งนี้เองนำทาง้ากับพรานชดไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านมาก่อนเลยไม่รู้ควรจะไปทางไหนจะไปกันทาไมที่เมืองร้างเก่านั่น ขยินถามซื่อๆโง่ๆตามประษามันไปเยี่ยมไอมันตรายสิคราวที่แล้วพวกนายระพินกับเองรวมทั้งเจ้านายทั้งหลายยังปล่อยให้มันมีฤทธิ์เหลืออยู่อีกทำความลำบากให้เรามากคราวนี้เราจะเอามันไม่ให้ได้ผุดได้เกิดอีกแล้วว่าแต่เองกลัวมันหรือเปล่าล่ะอยู่ใกล้พรานใหญ่ขยินไม่เคยกลัวอะไรเจ้านายบ้านหลมช้างตอบหน้าตาเฉยนันอินตามปกติเป็นคนใจเย็นมาก แต่คราวนี้แกถึงกับง้างเท้าขึ้นเดี๋ยวพ่อถีบหกเมนไอเวณนี่ตอนนี้เองไม่ได้อยู่ใกล้พรานใหญ่แต่อยู่ใกล้พรานเล็กๆอย่างข้ากับพรานชดแล้วเองกลัวไหมล่ะลุงไม่กลัวพรานชดไม่กลัวข้าหินก็ไม่กลัวเหมือนกันก็เท่านั้นแหละถ้าเองไม่ตาขาวสอย่างเดียวข้ากับพรานชดก็เชื่อว่าเองจะต้องพาไปพบจนได้ลาพังนายใหญ่นายทหารแล้วก็นายหญิง ข้ายังไม่ไว้ใจนักว่าจะนําทางถูกเพราะถึงยังไงก็ไม่ชํานาญทางเท่าเองขยินพยักหน้าเงึกๆงพูดด้วยเสียงห้าวตามธรรมชาติของมันว่าแล้วไอ้ช้างหางด้วนของนายหญิงละ่ะมันจะต้องรู้เส้นทางดีกว่าข้าเสียอีกถ้านายหญิงสั่งมันมันก็จะพาไปได้ถูกเร็วกว่าให้ขยินคลําทางเสียอีกเอ็งไม่ต้องไปเกี่ยงอะไรกับไอ้ช้างตัวนั้นหรอก ถึงจะแสนรู้ยังไงมันก็ยังไม่แสนรู้ไปกว่าเองหรอกเร่องเป็นคนฉลาดกว่ามันมากนะักแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันหายหัวไปไหนแล้วอีกเมื่อไรถึงจะโผล่มาจะไปฝากความหวังอะไรไว้กับสัตว์เดรัจฉานน้านอินว่าดารินก็เสริรมมาฟมือเสียงนุ่มแสดงความเมตตาต่อขยินอีกคนหนึ่งถูกตามที่ลุงอินว่าแล้วขยินถึงยังไงเราก็เห็นว่าขยินมีความสาคัญกว่าเจ้าด้วย ซึ่งเป็นแต่เพียงช้างถ้ามันพผล่ไม่เห็นอีกฉันก็จะพยายามให้มันนําเข้าไปสู่นครหลับให้ได้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะกล้าเข้าไปในถินของมันไกลไหมแต่ขยินนั้นมีความเก่งกล้าสามารถแน่เพราะเป็นลูกศิษย์นาพินเหมือนกันโดนเอาจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเข้าแบบนี้เจ้านักเลงโตหล่มช้างยิ้มยิงฟันออกมาได้ยืดอกอันใหญ่โตขึ้นทันทีเจ้านายทุกคนไม่ต้องห่วง ขยินรับนำทางเองตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเจนกว่าจะถึงนครหลับจะขอรบกับไอ้มันไตรดูอีกสักพักคราวนี้ถ้ามันไม่แหลกเราก็เละใช้ยันหัวรอกก้าเอื้อมือมาตบไหล่นายบ้านหล่มช้างซึ่งพบกันในครั้งแรกสมัยโน้นยวนบาทาและนาสะพึงกลัวที่สุดไม่คิดฝันว่าต่อมามันจะกลายมาเป็นบ่าผู้ร่วมตายมันต้องให้ได้อย่างนั้นสิขยินผู้กล้าหาน ในบรรดาพรานคู่ใจของพรานใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุญคาจันเกิดหรือเสยฉันว่าขยินมีฝีมือเหนือกว่ามากนะเอาหูฟังแผ่นดินก็รู้ว่าคนหรือผีเดินในบ่อโคลนใครไปไม่ได้ขยินก็เลื้อยตัวไปได้เหมือนงูขาดน้ำขยินก็เอาจมูกร่อนดมก็รู้ว่าน้ำอยู่ที่ไหนไปหามาจนได้เรื่องทุกอย่างในป่าขยินรู้ ชยัยยานเวเ้นระยะไปนิดหนึ่งปล่อยให้เจ้าขยินยิ้มแก้มแทบแตกแล้วก็หักมุมเรียบๆว่ารู้ว่าเมื่อไหร่จะหลบรู้ว่าเมื่อไหร่จะวิ่งและวิ่งเร็วแค่ไหนไม่มีใครตามขยินทันหรอกคราวนี้รอยยิ้มภาคภูมิของขยินเปลี่ยนมาเป็นยิ้มแห้งๆเอามือเกาหั ว, หวบนอุบอิบในขณะที่คณะทุกคนแม้แต่เชิฐาหัวรอกคลื่นกันออกมาได้พร้อมกันด้วยคาพูดหักมุมของชยัยยน อยู่ในป่าต้องรู้จักทั้งหนีและสู้ขยินพูดมาอย่างตักกระส่าถ้าคิดสู้อย่างเดียวโดยไม่อย่างกำลังของตนเองก่อนขยินก็อยู่มาไม่ได้เหมือนทุกวันนี้หรอกพลานใหญ่ก็เคยวิ่งป่าราบมาแล้วนับไม่ถ้วนลุงอินหรือพลานชดก็เคยวิ่งไม่เชื่อถามดูเออจริงของเองไม่มีใครเถียงในข้อนี้หรอกอนุชา บ, บอกมายิ้มยิ้มกรอกบาลันดีลงถ้วยส่งไปให้ สำคัญว่าเวลาเองจะวิ่งก็วิ่งรอพักพวกมั่งก็แล้วกันและอย่าเอาแต่วิ่งเอาตัวรอดอย่างเดียวรู้จักวิ่งย้อนกลับมาช่วยพักพวกมั่งอดีตนายบ้านหล่มช้างผู้ทิ้งความสุขส่วนตัวตามประสาของมันมุ่งมาสมทบกับคณะเจ้านายเก่าด้วยใจรักพักดีนิ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครู่ก็เอ่ยถามขึ้นเปรยๆว่ามีใครในพวกเจ้านายคิดเหมือนขยินมั่งไหมคิดคิดอะไรยังไง ดารินซักมาผู้ยิ่งใหญ่ได้ประดาบเรลียงดงทั้งหลายหันหน้าฝ่าความมืดของราตรีออกไปยังราวยาวดำทะมึนแล้วเอ่ยช้าๆว่าก่อนที่พวกเราจะเข้าไปถึงนครหลับโดยไม่ไปหลงทางหรือราช้าอยู่ที่ไหนนารพินคงจะต้องบุกเข้าถึงแดนผีสิงนั่นล่วงหน้าก่อนเราแล้วเวลานี้คืนนี้เขาจะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็คงคิดบุ่งที่จะเข้าสู่นครหลับให้ได้ เพราะเขาถูกมันเล่นงานสบัสดิ์อมาก่อนแล้วเป็นคำพูดที่แสดงถึงความฉลาดและแนวความคิดอันลึกซึ้งที่สุดของขยินทุกคนที่กำลังมีอารมณ์ขบขันเรื่นเริงอยู่ด้วยการสนทนาเชิงหยอกร้อพากันหยุดเงียบกริบไปในทันทีนั้นราวกับนัดกันไว้ขยินและราชสกุลสาวก็เอ่ยขึ้นแผวต่าเป็นการยั่งความเห็นของอดีตนายบ้านลมช้าง มีอะไรที่เจ้าคิดว่าพรานใหญ่จะต้องมุ่งเข้าหานครหลับเป็นจุดหมายแรกในเมื่อเขามีงานที่ต้องทําตามคาสั่งของนายจ้างของเขาเป็นเรื่องใหญ่เจ้าไม่คิดหรือว่าเขาจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบเส้นทางโดยนายจ้างเขาทุกระยะโดยไม่ยอมให้ออกนอกเส้นทางเสียเวลาล่าช้าเลยถ้าเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่นายจ้างเขาต้องการขายินหัวรอกหืหแล้วย้อนถามมาว่า ในป่าแม้ว่าปรานใหญ่ระพินจะเดินไปในเส้นทางไหนพวกนายจ้างผิวขาวจะรู้หรือแล้วในป่าใครจะมาตรวจสอบเส้นทางเดินรู้ดีไปกว่าตัวนารพินเองได้ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่แง่สายหรือลุงอินพวกผิวขาวทุกคนพอออกจากห้วยเสือร้องแล้วก็เหมือนกับคนตาบอด น, นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตต้องฝากไว้ในกำมือของนารพินคนเดียว หรือนายหญิงเชื่อว่าจะมีใครมาตรวจสอบคุมการเดินทางของพรานใหญ่ได้ใครเป็นคนนำทางนายระพินหรือพวกผิวขาวพวกนั้นมันเป็นประโยคคำพูดที่ฉลาดและใกล้เคียงความจริงที่สุดชนิดที่ดาราหรือคนอื่นๆก็ไม่อาจเทียงได้ขยินเว้นระยะกรอกบรันดีที่พรานชดรินไปให้ผ่านเข้าลาคอสองอึกแล้วกล่าวต่อไปว่าขยีนไม่ใช่แง่ทาย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 ขยินอ่านรูปการตามที่เคยรู้จักคนคนนี้มันไตรเป็นอุปสรรคสำคัญในการเดินทางของเขาไม่ว่าจะมุ่งไปทางใดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางกำจัดทำลายมันลงให้ได้ก่อนมิฉะนั้นก็จะเดินทางต่อไปตามที่เขาต้องการไม่ได้และการจะทำลายมันไตรได้หรือไม่ได้ก็ต้องมุ่งเข้าถิ่นของมันก่อนคือนครหลับและนี่คือความเชื่อของขยินที่ว่านายรัพินจะต้องมุ่งไปที่นั่นก่อน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 ยอมดีกว่าที่จะคอยแต่หลีเกเลี่ยงแล้วปล่อยให้มันดักทำร้ายไปทุกระยะไม่รู้จบสิน้นขยินกล่าวช้าๆด้วยภาษาของมันแต่ทุกคนก็เข้าใจได้ดีพอสมควรจากความที่เคยคลุกคลีใกล้ชิดกันมานานเชษฐาพยักหน้าลงช้าๆเขาเองก็เพิ่งจะได้ยินเจ้าองคุลีมานแห่งลมช้างผู้จาฉลาดเป็นกิจลักษณะครั้งนี้เป็นครั้งแรกความจริงเจ้าเป็นคนหลักแหละไม่ใช่น้อยทีเดียวนะขยิน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 ไม่มีแง่ทายไม่มีส่างปามีแต่ลุงอินพรานชดแล้วก็ขยินเพียงสามคนเท่านั้นที่จัดว่าเป็นผู้ชำนาญป่าที่สุดขอให้รู้เถิดว่ามาครั้งนี้ขยินไม่ใช่พวกแบกหามแต่เป็นคนหนึ่งในคณะผู้นำทางและที่ปรึกษาของเราแรกๆที่เราเริ่มออกเดินทางวันนั้ น, นยังไม่มีปัญหาอะไรมากนะเราก็เลยยังไม่มีอะไรที่จะต้องให้ขยินช่วยแต่ในนรกดมนี่ ขยินจะทำตัวเป็นแต่เพียงผู้ทำเฉพาะตามคำสั่งอย่างเดียวไม่ได้แล้วจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเราด้วยผิดถูกอย่างไรเราก็ช่วยกันคิดอ่านและหลายๆความคิดหลายๆความชำนาญมันย่อมดีกว่าให้อยู่ในข้อตัดสินใจของใครแต่เพียงคนเดียวอดีตทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะใช้หลักจิตวิทยากับเจ้านักเลงโตแห่งใครลึกอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็ได้ผล เขาเพยายามที่จะเคนียรความรู้ความสามารถในเชิงพลาของมันออกมาใช้ให้หมดโดยไม่มองข้ามไปเสียเพราะยอมรับในความจริงว่าในป่าแล้วลูกป่าอย่างแท้จริงเช่นขยินจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าคนในเมืองอย่างพวกเขาหรือคนครึ่งป่าครึ่งเมืองอย่างพวกลูกหาบอย่างแน่นอนเพียงแต่เขาจะเปิดโอกาสให้แกมันรือไม่เท่านั้นนายใหญ่และพวกเจ้านายทุกคนทาให้ขยินภูมิใจมาก ขยินพูดออกมาประสาซื่อขยินรู้ตัวเองดีว่าไม่ฉลาดเท่าครึ่งหนึ่งของแง่ทรายไม่เก่งถึงหนึ่งใน10ของลุงอินสติปัญญาก็ไม่ได้หนึ่งในร้อยของผ่้เจ้านายทุกคนแต่อย่างน้อยขยินก็รู้จักในเรื่องป่าดงรู้นิสัยใจคอของนายระพินที่เรากำลังออดติดตามอยู่เดี๋ยวนี้ตามความคิดของขยินนับตั้งแต่ออกจากคุ้ยเสือร้องมา พวกนายเจ้าผิวขาวทุกคนย่อมเปรียบเสมือนคนตาบอดอย่างที่บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางคืบน่าจะต้องฝากไว้กับนายรพินคนเดียวต่อให้มีแผนที่หรือเครื่องมือนำทางดีวิเศษสักแค่ไหนก็ตามนายรพินมุ่งนครหลับแน่เพื่อหยุดไอผีดิบมันตรัยก่อนอื่นเขาอาจบอกให้นายเจ้าผิวขาวรู้ว่าเขาจะมุ่งไปทาไมหรืออาจไม่บอกโดยนำบ่ายหน้าไปเฉยๆก็ได้ ซึ่งจะเขาไม่บอกพวกนั้นก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะนำไปไหนเพื่ออะไรนอกจากเดินตามอย่างเดียวสุดแต่ว่าเขาจะพาไปทางไหนใครจะมีปัญญาทักท้วงหรือชี้ทางอื่นได้ขยินเชื่ออย่างนั้นไอเจ้านี่ไม่เลยหรอครับพี่ใหญ่มันน่าจะพูดถูกแล้วคุณชายอนุชาหันไปกล่าวบาๆกับพี่ชายใช่เราก็คิดอย่างนั้นแหละแต่อยากจะฟังความเห็นของมันดูซึ่งกระสรุปได้ว่าตรงกัน ว่าแต่ลงอินเธอเห็นด้วยไหมชา ย, ยานเอ่ยขึ้นบ้างและประโยคท้ายหันไปถามครูพรานไอโจรป่านี้มันไม่ง้หรอกนายทหารเว้นไว้แต่มันจะแกล้งทำเป็นโง่เท่านั้นในบรรดาชาวดงลึกกันจริงๆแล้วมันเหนือกว่าพวกหัวหน้าเผ่าอื่นๆทุกคนและมีอำนาจเหนือเผ่าคนดงคนดอยทั้งหลายมากนะักสมัยก่อนนี้ก็มีอยู่แค่สามคนเท่านั้นที่จะผ่านไปหล่มช้างได้โดยปลอดภัย คือตัวหนานอินเองซึ่งมันรู้จักมาแต่เล็กแต่น้อยนายราพินแล้วก็งแง่สายนอกนั้นมันปล้นทรัพย์สินข้าหมดดีไม่ดีค่าทิ้งเอาซะด้วยมีใครกล้าผ่านไปทางหล่ช้างถิ่นของมันบ้างโดยเฉพาะพวกนักเดินป่าทั้งหลายเว้นแต่พวกชาวดงชาวดอยด้วยกันเองคราวที่พวกเจ้านายผ่านไปทางหล่ช้างก่อนเข้านรกดาครั้งนั้นถ้าไม่ใช่เพราะมีนายราพินไปด้วย ก็เห็นจะต้องทําศึกใหญ่รบกับมันแน่ๆเพราะมันคงไม่ยอมให้ผ่านแล้วก็โชคดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่นายราพินหรือพ่วเจ้านายทั้งหลายลากโครงมันให้บุกนรกดําไปด้วยได้และคราวนี้ก็เป็นบารมีของพ่วเจ้านายเหลือเกินที่มีอะไรมาดนใจให้มันเดินทางมารับใช้อีกครั้งนานอินยอมรับว่าอุ่นใจมากที่ได้มันมาร่วมอีกคนเพราะอย่างน้อยมันก็หนุ่มกว่านันอินหูตาดีกว่าว่องไวแข็งแรงกว่า นานอินบอกมาเป็นภาษาไทยซึ่งขยินฟังไม่รู้เรื่องทำหน้าเหอรอหลาถามว่าจูกว่าอะไรครูพรานผู้เท่าบอกหน้าตาเฉยว่าข้าก็ช่วยรับรองกับเจ้านายว่าเองน่ะเก่งกว่าไอ้เท่าวุ้นคำแล้วก็ฉลาดพอๆกับแง่ทรายข้าพูดถูกไหมวะขยินยิ้มไม่สนิทนักจุปากเบาๆเกาต้นคอลุงโกหกด่าข้าให้เจ้านายฟังสิลมัง่ง ทุกคนหัวเราะขึ้นอีกครั้งนานอินหันไปทางพ้าวเจ้านายเห็นแล้วยังนี่แหละความฉลาดของมันโง่ที่ไหนเป็นอันว่าความคิดของขยินตรงกับของน้อยและพวกเราทุกคนเชษฐากล่าวขึ้นแก่พักพวกคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายระพินใครจะเข้าถึงนิทรานกรก่อนกันเท่านั้นและถ้าสวรรค์เข้าข้างเรา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 เขาก็ต้องมีลายแทงเก่าแก่ฉบับนั้นติดตัวมาด้วยแน่ๆรวมทั้งแผนที่ซึ่งเขาทำขึ้นใหม่ในเที่ยวขากลับด้วยลำพังแผนที่ภูมิศาสตร์ที่ฝ่ายอเมริกันทำไว้เชื่อว่าคงไม่ได้ผลและระพินคงไม่สนใจร้องเมื่อล่วงเข้านรกดำอันเป็นดินแดนในสนธยาแล้วแบบนี้ชายยันให้ความเห็นส่วนตัวขึ้นแต่ลายแทงฉบับนั้นบนบอกทิศทางที่มุ่งไปเทือกราสิวะและมรกตนครนะ มันไม่เกี่ยวกับจุดที่เครื่อง B-52 ที่อับปางอนุชายแย้งเบาๆถึงไม่เกี่ยวกับตำแหน่งตกของเครื่องโดยตรงมันก็จะต้องมีประโยชน์ในด้านส่วนประกอบอันที่บอกสถานที่และภูมิประเทศแวดล้อมซึ่งจะให้รู้ทิศทางการไปและเส้นทางกลับดีกว่าที่จะงมไปในความมือดอยู่วันยังค่ำว่าได้หรือระหว่างเส้นทางจุดหมายต่างๆในแรงแงฉบับนั้นเครื่องอาจตกอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งก็ได้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 และป่านนี้อาจหมดสมรรถภาพไปแล้วก็ได้ซึ่งแปลว่าทั้งชุดขาดหายไปจากความรู้เห็นของศูนย์ควบคุมที่ติดตามวงการอยู่ด้วยวิทยุรับส่งเครื่องนั้นคราวนี้มันก็เป็นเรื่องที่รพินจะต้องใช้ความสามารถของเขาเองแล้วถ้ารู้ตัวว่าการติดต่อกับศูนย์ควบคุมไร้ผลไปแล้วทําไมเขาไม่คิดถอยหลังกลับกันเสียทีเพราะความหวังมันไม่มีเหลืออยู่อีกเลยจะรุดหน้าไปสู่ความตายกันทําไม อดีตพรานชดบ่นออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองพร้อมกับโครงศรีรษะชา้ชาๆดารินรวราริศพูดสงบปากคำอยู่นานเมมริฟีปากแน่นตาแดงขึ้นมาอีกนั่งซึมนิ่งอยู่คนเดียวหลอนรู้นิสัยของรัพินดีเหนือใครทั้งสิน้นคนคนนี้ลงตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่มีวันที่เขาจะหันหลังกลับหรือท้อถอยต่อให้ความตายมาขวางหน้าเห็นอยู่ชัดๆก็จะกล้าไ ป, ปเผชิญหน้ามันจนได้ ลึกลงไปกว่านั้นหลอนแอบคิดอยู่คนเดียวยบเงียบๆใครจะรู้ได้อาจมีอะไรบางอย่างเป็นจุดโดนหรือบันดาลใจให้เขาต้องร่วมหัวจมท้ายกับอเมริกันคณะนี้เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกับคณะของหล่อนเมื่อครั้งไปตามพี่ชายกลางก็ได้หนึ่งในสองของอเมริกันสาวสวยที่เป็นสายลับ CIA อันร่วมทางมาด้วยนั่นแหละและถ้าความระแวงของหลอนไม่ผิด ก็น่าจะเป็นคริสตินากรูบิทแล้วก็สะบัดหน้าคมน้ำตาขับไล่ความคิดอาคตินั้นออกไปเสียช่างจะเป็นด้วยอะไรที่ทำให้ยอดชายของหล่อนบากบันต่อไปโดยไม่คิดชีวิตก็ช่างเถอะหน้าที่ของหล่อนก็คือจะต้องตามเขาจนกว่าจะพบและเอาตัวหรือกระดูกลับคืนมาให้ได้แต่อนิจจานี่เขาช่างไม่รู้บ้างเจ้วหรือว่าคุณหญิงของเขากาลังติดตามมาด้วยความยากลบาบาก ชนิดยาดเงือแทบเป็นหยดเลือดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำไมถึงไม่ไปเข้าโดนจิตโดนใจให้เขาสะดุดใจคิดบ้างและถ้าแม้ว่าเขาจะรู้ว่าดารินกำลังสมสารติดตามมาเขาจะหยุดรอหรือหวนคืนหลังกลับมาหาหรือไม่นอคิดถามตัวเองแล้วยากที่จะสะกดน้ำตาไว้ได้ราชะสะกุลสาวถอยพลาจากวงสนทนาหารือเข้าไปประจำยังที่ของหล่อนแล้วเอนกายลงนอน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 ปล่อยความคิดล่องลอยกระเจิงกระเจิงไปไกลย้อนระลึกไปถึงวันคืนในอดีตอันผ่านมาไม่นานนี้นะสมัยที่หล่อนร่วมผจญภัยร่วมชีวิตอยู่กับเขาผู้นั้นท่ามกลางอหันตภัยทุกชนิดรอบด้านมันเพียบพร้อมไปด้วยทุกรสชาติที่ชีวิตสาวของหล่อนไม่เคยผ่านพบมาก่อนทะเลบบาะเบาะแวง้งประท้วาจากันอย่างรุนแรงต่อมาก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจ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 ไม่มีวันที่หลอนจะสลัดเขาพ้นไปจากหัวใจได้เป็นรักแท้ที่สูงค่านะอันหลอนจะพึงมีให้ได้กับชายคนหนึ่งโดยไม่คิดฝันมาก่อนและเขาเองก็คงเช่นเดียวกันหลอนอยังทราบได้จากพฤติการที่เคอาปฏิบัติต่อหลอนมาทุกระยะมันพิสูจน์อย่างแจ่มชัดเหลือเกินสำหรับสุภาพบุรุษไรผู้ตำศักแต่สูงส่งด้วยมโนธรรมและจริยธรรมผู้นั้น เมื่อใช้สติปัญญาเข้าใครครวนตรายตรองออกมาได้แล้วเช่นนี้ยังจะมีอะไรอีกที่หลอนจะต้องไปมัวคอยหวาดวันระแวงแคลงใจในความมั่นคงของเขาอยู่อีกดารินค่อยคมใจสงบความฟุ้งซ่านลงได้ไม่มีอะไรที่หลอนจะต้องคอยกังวลอีกแล้วสำหรับนายจ้างสาวสู่อเมริกันทั้งสองคนที่ร่วมทางไปด้วยเขาจะไม่มีวันทรยศ ต, ต่อหัวใจรักของหลอนอย่างแน่นอนตัดปัญหาที่จะมาคิดในข้อนี้ออกไปได้เลย บอกกับตนเองเช่นนั้นมันก็เหลืออยู่เพียงประการเดียวเท่านั้นคือความปลอดภัยในชีวิตของเขาซึ่งหลอนและคณะกำลังติดตามเพื่อกอบกู้อยู่ในขณะ น, นี้สิ่งสำคัญที่สุด ก, ก็คือขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนแน่มีทางตามทันตามพบหรือไม่พิจารณาจากสิ่งแวดล้อมและหลักฐานที่ค้นพบตลอดจนกระแสข่าวต่างๆหลอนน่าจะกระชันชิดเข้ามาม า, มากแล้ว แม้ว่าเขาจะล่วงหน้ามาก่อนเป็นเวลาถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ตามแต่การจะติดตามเขาเข้าไปในป่าหลงสำรวจที่เรียกกันว่านรกดำหรือดินแดนอันมหัสจันลีลับนี้มันเปรียบไม่ผิดอะไรกับการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะอาณาเขตป่ามันกว้างขวางเหลือเกินซ้ำยังดูเหมือนจะมีเคราะห์กรามมาขวางกั้นบางตาไว้ขณะนี้คณะของหลอนไม่ได้แกะรอยเขาแล้ว และเป็นการพยายามอ่านใจและก้าวสกัดโดยใช้ความคาดคะเอาเท่านั้นห่วงใยเน็ดเหนื่อยท้อแท้เลื่อนลอยแต่ก็ต้องมุมมนะสารพัดความรู้สึกประดังประเด ข, ขึ้นมาสุมอยู่ในหัวอกหัวใจรรบพินมุ่งนิทรานครแน่หรือและระหว่างเขากับหล่อนจะมีจุดพบโดยไม่นัดกันที่นั่นอย่างที่หวังไว้หรืออีประการหนึ่งถ้าเขามุ่งเข้าหานิทรนครจริง ใครจะเหยียบเข้าสู่แดนอันน่าสะพรึงกลัว ก, กันนั้นก่อนกันจริงอยู่หล่อนมีนานอินและขยินมาด้วยแต่ก็ยังวางใจด้านงมหาจุดหมายไม่ได้นะักสําหรับระพินควรจะต้องแม่นยํำต่อเส้นทางและน่าจะต้องบุกเข้าถึงก่อนฝ่ายหล่อนแน่นอนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าฝ่ายหล่อนจะต้องไล่หลังไปไเรื่อยๆไ ม, ม่วันที่จะตามทันเพราะเขาย่อมชํานาญในเส้นทางเหนือกว่าทางด้านหล่อนอยู่แล้ว ซ้ำในดินแดนอาถรนเต็มไปด้วยอันตรายขีดสุดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแม้ทางด้านหล่อนก็เช่นกันหากบุกเข้าถึงจริงก็ไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าหล่อนและพวกทุกคนจะรอดพ้นเงื้อมเงาไปจากผีดิบมันไตรไปได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็สุดที่จะเดาหาคนของพวกหล่อนยังคงปรึกษาพูดจากันงึมงำฟังไม่ถนัดนะักแต่พอจะจับเขากระแสะความได้ว่า พี่ชายใหญ่ชายยันและขยินผู้เคยผ่านนิทรานครมาแล้วได้อธิบายเพิ่มเติมให้พี่ชายกลางและนานอินทราบถึงแดนมหันตภัยนั้นตลอดจนรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ที่ประจนกันมาในครั้งนั้นเพื่อให้อนุชาและพรานครูผู้เท่ารู้ล่วงหน้าเป็นพื้นฐานไว้ก่อนครูใหญ่ต่อมาเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเข้าพักนอน นันอินและขยินพระออกไปยังกลุ่มพวกลูกหาาที่นอนเรียงรายกันอยู่ทางด้านปลายเท้าของฝ่ายเจ้านายไม่ห่างออกไปนะักโดยมีกองไฟสุมอยู่ตรงกลางเชษฐาชัยยันและอนุชากลับเข้ามายัางที่นอนต่างเข้าประจำที่ก่อนจะเอ็นกายลงอดีตท่านทูตทหารโบกพี่ชายใหญ่ชะโงกเข้ามาดูที่หน้าของหลอนดารินหลับตาลงก่อนแล้วเมื่อพระพวกเคลื่อนเข้ามาหลับไปแล้ว คืนนี้ดูหลับง่ายดีจริงเสียงพี่ชายใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นเบาๆอย่างปรานีและก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างๆตัวทั้งสองด้านที่ขนาบอยู่หล่อนนอนสงบเฉยเหมือนหลับไปจริงๆแต่ประสาททุกส่วนตื่นพร้อมไม่ใช่หลับตอนนี้และอับตื่นขึ้นมาเดินเพ่นพ่านตอนที่พวกเราหลับกันไปแล้วนะชายยันผู้นอนอยู่ชิดขวาสุดบอกออกมาปนหัวเราะคืๆก็ต้องช่วยกันดูหน่อยกันแล้วกัน จิตประสาทของน้องในการเดินทางครั้งนี้ไม่ค่อยจะดีนกะและมีอะไรลึกๆ ล, ลับๆที่เราดูกันไม่ออกตลอดเวลารู้สึกว่าเขาจะมีอะไรผูกพันอยู่กับเจ้าผีดิบมันตรยอย่างไรพี่กนดูไม่กลัวมันเลยซ้ำยังพยายามที่จะเข้าไปหามันให้ได้จริงๆนะให้รบกับไดโนเสาร์ทุกชนิดฉันยังรู้สึกสบายใจกว่าที่ต้องรบมันตรายและอาถรรพ์เวทของมัน ไม่รู้จุดประสงค์ของมันเลยว่ามันจะเอายังไงกับพวกเรากันแน่เพื่อนชายผู้ร่วมเป็นร่วมตายมาตลอดอย่างชนิดไม่ยอมทอดทิ้งเอินมาอีกพร้อมกับถอนใจเอาเธอแล้วรู้เองว่ามันจะเอายังไงกับเราเมื่อถึงเวลาอนุชาบอกมา ง, ง่ายๆกลางสมมุตินะสมมุติว่าเราจะต้องมุ่งเข้าหามรกรกนครกันอีกครั้งเธอคิดว่าเธอกับนันอินจะไปถึงได้อีกไหม ในความเงียบชั่วขณะระหว่างนอนเป็นแถวหน้ากระดานกันอยู่พี่ชายใหญ่ก็ถามขึ้นผมเชื่อว่าผมกับลุงอินนําไปได้ครับแม้จะไม่สู้สะดวกนักก็ตามและเส้นทางของผมกับลุงอินก็ลัดทางกว่าของที่รพินเคยใช้เสอีกด้วยซ้ําก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเส้นทางเดินของผมไม่ผ่านพบอะไรที่มันเป็นสิ่งลี้ลับหรือเชื่อเหมือนอย่างที่รพินเคยนําทางคณะก่อพี่ใหญ่เลย เราผ่านแต่เฉพาะภัยธรรมชาติและความกันดารของเส้นทางเดินเท่านั้นมีอยู่จุดเดียวของความลี้ลับที่ผ่านตรงกันคือนครลิงแห่งภูเขานิลการของวายาและตำแหน่งบําเพ็ญศีลอย่างประหลาดของมหาฤาษีโกนธัญญาเท่านั้นว่ายากับลิงใหญ่ในถินนั้นก็เป็นมิตรกับผมและลุงอินดีและผมก็ไม่ต้องไปใหถึงเดินพระจันทร์เพื่อใหตรงกับขึ้นหข้ามเดือสิเพื่อรอใหปรากฏการทางธรรมชาติ ตามคำสั่งในลายแทงฉบับที่ระพินถืออยู่ด้วยถึงเดินพระจันทร์เมื่อไหร่ผมก็หาทางขึ้นเทือกพระศิวะได้ทันทีพี่ใหญ่ถามทำไมหรือครับเปลา่าถามเรื่อยๆไว้งั้นเองถ้าแน่ใจว่าจะนำไปได้ก็ดีแล้วพี่ใหญ่จะต้องมีจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถามผมในเรื่องนี้จะไม่แสดงความคิดให้ผมรู้บ้าไว้บ้างหรือครับพ่ายหลังจากนิ่งไปอึดใจใหญ่เชถาก็เอ่ยแผ่วๆว่า พี่มีสังหารอะไรบางสิ่งบางอย่างในชั้นต้นนี้เราหวังที่จะสกัดดักพบระพินที่นิทรานครแต่ถ้าไม่พบที่นั่นหรือตามไม่ทันเราก็น่าจะพบเขาในมรกรนครของจักรราชพูดเป็นเล่นไปหน้าเชษฐาเทือกพระศิวะนะสุดขอบล่าป่าหิมพาแล้วถึงแม้เราจะเคยเหยียบมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ของง่าที่จะไปให้ถึงอีกชยยันอุทานแทบจะฟุดลุกขึ้นนั่ง ก็กลางบอกอยู่นี่ยังไงว่าเขากับลุงอินพาไปได้อย่างสบายแกคิดหรือว่าระพินจะมุกไปที่นั่นถ้าเครื่อง B52 ตกอยู่ที่นั่นทำไมเขาจึงจะไม่ไปละ่ะแล้วอะไรที่ทำให้แกคิดว่า B52 จะไปตกอยู่ที่นั่นสังหรณ์อย่างที่บอกไว้แล้วยังไงละ่ะตามรายงานข่าวที่เราสืบได้จากคุณอมพลเครื่องบรนสูนหายไปเหมือนหลุดออกจากโลกนี้ไปเลยขณะค้นหาทางอากาศยังไม่พบ จนต้องมาจ้างราพินให้นำทางครั้งนี้เพราะฉะนั้นเครื่องมันจะสูญหายไปไหนถ้าไม่สูญเข้าไปในดินแดนสนธยาแห่งนั้นแล้วคิดหรือว่าราพินจะนําคณะของอเมริกันชุดนั้นบุกไปจะถึงที่นั่นคราวนี้อดีตพรานชดถามขึ้นโดยเร็วอาการง่วงแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งเบิกตาสว่างโคลงในเงาสลัวกลางเธออาจรู้จักราพินในเรื่องนี้น้อยไป คนคนนี้ถ้ารับงานใครแล้วเขาไม่วิวันทิ้งงานกลางคันจนกว่าจะสําเร็จผลหรือเขาตายซะก่อนนั่นแหละถ้าเขาเกิดเฉลียวใจคิดว่าเครื่องมันไปตกอยู่ที่นั่นเขาก็จะต้องนําพวกนายจ้างไปให้เห็นจนได้นั่นแหละไม่ว่าหนทางมันจะไกลา ย, ยากลําบากแค่ไหนและไม่คํานึงด้วยว่าเมื่อพบแล้วจะกู้ระเบิดได้หรือไม่นี่พี่ก็เพยายาจะเป็นแง่ายคนที่สองนะคืออ่านใจเขาให้ได้แต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจนักว่า ตัวเขาเองจะเชื่อช่นนั้นหรือเปล่ามันห0สหครึ่งต่อครึ่งก็เอาสิครับถ้าพี่ใหญ่อ่านรูปการไปในแบบนั้นเราก็ตามเขาให้ถึงที่ชนิดถึงไหนถึงกันเหมือนกันผมกับลุงอินไม่ยั่นรองน่าคิดเหมือนกันนะครับพี่ใหญ่สะกิดให้ผมต้องคิดไปในแนวนี้มากทีเดียวแต่ไม่ได้คิดมาก่อนมาคิดเอาตอนที่พี่ใหญ่เปรยขึ้นนี่แหละใช้ยานว่ายังไง ฉันไม่มีความเห็นยังไงมีอย่างเดียวคือจะไปไหนก็ไปกันตายที่ไหนก็ตายด้วยกันนี่คือความตั้งใจของฉันตั้งแต่ตัดสินใจทิ้งลูกอ่อนและเมีย ม, มากับพวกแกแล้วถ้าเข้าถึงมรกรนครได้ก็ดีเหมือนกันเพราะฉันก็คิดถึงไอ้แงซายหรือกระสานจักรราษรวมทั้งเจ้าส่างป่าอยู่ไม่น้อยอยากจะพบอีกสักครั้งไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างถ้างั้นเราได้บทสรุปของการหาเรือในคืนนี้ล้วนะ 1. มุ่งเข้าหานิทรานครก่อนเพราะถ้าผ่านมันไตรไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสเดินทางต่อไปอีกแล้วและที่นิทรานครหากยังไม่พบประพินเราจะตามเขาในเส้นทางที่บ่ายน่าสู่เทื อ, อกพระศิวะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาควานหาที่ไหนอีกแล้วหัวหน้าคณะบอกอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงเสียดายที่น้อยหลับไปซะก่อนเขาควรจะรับรู้ในข้อตัดสินใจของพวกเราเรื่องนี้ด้วย ยันว่ายังไม่หลับและได้ยินตลอดหมดทุกถ้อยกระทงความแล้วเสียงเรียบแต่ชัดเจนที่สุดดังมาจากน้องสาวคนเล็กของคณะที่นอนสงบนิ่งเหมือนหลับอยู่สามชายผงโงศรีษะขึ้นในทันทีอย่างประหลาดใจอุทานออกมาพร้อมกันว่าอ้าวน้อยน้อยมีความคิดเห็นและตั้งใจอย่างที่พวกพี่ๆตกลงกันไว้แล้วทุกอย่างคะ่ะจากมิตรานครถ้าเราผ่านได้ก็มุ่งเทือกพระศิวะเลย พี่กลางกับลุงอินนําทางให้ดีก็แล้วกันเฉพาะเส้นทางเข้าสู่มรกรณครนึกว่าหลับไปแล้วนี่ยังไม่ได้หลับเลยหรือนี่พี่ชายกลางถามอยากหลับค่ะแต่มันก็ยังหลับไม่ลงได้แต่คิดคิดคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้แต่ก็คิดไม่ตกเพิ่งจะมาได้ไอเดียไม่ได้ยินพี่ใหญ่พูดดีเองพี่ใหญ่น่าจะคาดการได้ถูกแล้วนับจากตําแหน่งที่เราพักอยู่นี่เป็นต้นไป มีจุดที่เราจะพบพระพินได้เพียงสองจุดเท่านั้นถ้าไม่ใช่นครผีสิงของมั่นไตรก็เมืองในหมอกของจักรราษอันเป็นแหล่งของขุมเพชรพระอุมา่นั่นแหละหรือมิฉชนั้นก็ไม่พบอีกเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เงียบไปและในที่สุดก็เคลิ้มเข้าสู่ห้วงนิทราลมเสียงน้ำตกขนาดใหญ่หลายช่อช้านที่ไหลล้าผ่านแก่งแง่มาตามลาดับ ราวกับแม่น้ำทั้งสายอันมีต้นทางมาจากยอดเขาสูงลิบลิบขึ้นไปยังคงครางอู่เป็นดนตรีกล่อมราวภัยอยู่เช่นนั้นแม้จะหลบมานอนพักกันอยู่ใต้ชะ ง, งอนห่างไกลาจากสายน้าไหลพอสมควรละอองไอน้ำที่กระจายระเหยเป็นม่านหมอกอยู่ตลอดการก็เปลวเข้ามาทำให้เกิดความชื้นยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวสัน่นสามคนพี่น้องและอีกหนึ่งเพื่อน ต่างซุกกายคลุมอยู่ภายใต้โปงรงแบลงเกตเดียวกันความเย็นมันจับเข้าไปจากผิวหนังจะถึงขั้วหัวใจจนคางสั่นกึกๆึ ก, กพวกลูกหาผลัดกันผุดลูกผุดนั่งและช่วยกันก่อไฟให้ลูกโชนขึ้นอีกซึ่งก็เป็นไปด้วยความละบากยิ่งเพราะความชื้นของละอองน้ำซึ่งไม่คิดว่ายิ่งตกดึกมันจะยิ่งมีละอองเพิ่มขึ้นและรู้สึกว่ากระแสน้าตกก็พุ่งแรงกว่าตอนเย็นนี้มาก ในกลุ่มพี่ๆใครจะหลับได้สนิทดีหรือไม่เพียงไรไม่ทราบได้แต่นักสาวคนเล็กมีอาการหลับๆับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาหล่อนนอนตะแคงงอตัวเบียดชิดอยู่ในระหว่างขนาบของพี่ชายทั้งสองดูมันจะเป็นคืนที่ยาวนานสนีทกระไรครั้นแล้วขณะหนึ่งเชษฐาก็พงกตัวลุกขึ้นมานั่งจูดซิก้าดูดไฟแดงอยู่ว่าบ้าบอาการของเขาดูเหมือนจะพยายามเงี่ยหูสดับจับฟังเสียงอะไรอยู่ หัวคิ้วขมวดต่อมาอนุชาก็ดึงกายขึ้นนั่งอีกคนล้วงเอาฮีเตอร์ประจำตัวขนาดเล็กใช้พลังความร้อนจากน้ำมันไลเตอร์จุดไส้ให้ถ่ายเทความร้อนไปยังกล่องโลหะแบนๆขนาดเื่องกว่าซิปโป้เล็กน้อยเอามาอังไว้ตามใบหน้าและซอกคอส่วนชายยันก็ลุกขึ้นมาน้างเป็นคนที่สามรูดซิปแจ็คเก็ตหนังสาหรับสวมนอนจนชิดคอแล้วสวมถุงมือชา้า ทั้งสามชายไม่ได้ปรีบปากพูดคำใดกันเลยหาแต่นั่งกอดเขา่าเงี่ยวหูหันมองฝ่าความมืดไปคนละทางมีแต่เพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยังนอนคูขดตัวอยู่ให้ตายเถอะที่สุดชยัยยนก็เป็นฝ่ายทําลายความเงียบขึ้นลอยลอยหูฉันฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมหรืออนุชาถามสีหน้าของเขาเครียดขึมไม่รู้สินะ เอาเป็นว่าฉันหูฝากคนเดียวคนแล้วกันถ้าแกกับเชษฐาไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินถึงได้ลุกขึ้นมานั่งพยายามฟังอยู่นี่ยังไงอดีตท่านทูตทหารบกบอกครึ้มครมอัดความสิกา ล, ลึกถ้างั้นสิ่งที่ผมคิดว่าผมฝันไปก็ไม่ใช่ฝันแล้วน่ะสิผมเองก็ได้ยินเหมือนกันอนุชาเอ่ยแผ่วเบาขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วทั้งสามก็มองหน้ากันยงเยี ย, ยไปชั่วระยะเอาล่ะบอกมาสิ ถ้าสองคนได้ยินอะไรยังไงท่านหัวหน้าคณะถามขึ้นปาดแขนเสื้อดูนาฬิกาขนาดนั้นมันเพิ่งจะยี่สิบสามนาฬิกาเศษเท่านั้นแก้บอกมาก่อนดีกว่าชายันรานชดพยักหน้าเกียงมาก่อนฉันบอกไม่ถูกนะว่าได้ยินจากประสาทหูหรือได้ยินในจิตประสาทของตัวเองหรือก็ไม่รู้ที่ได้ยินมันเป็นเสียงแหบๆเหมือนพ่อมดหัวราอแววมา ความจริงเสียงน้ำตกมันก็สู้ซาดดังมากแต่ได้ยินได้ยังไงไม่รู้ถึงได้บอกว่ามันน่าจะเกิดจากอาการประสาทร้อนมากกว่าผมก็ได้ยินเหมือนกันครับพี่ใหญ่อนุชาหันไปกระซิบบอกพี่ชายนอกจากเสียงหัวร้อนแล้วได้ยินอะไรอีกพี่ใหญ่ได้ยินหรือเปล่าครับน้องชายย้อนถามพี่จับฟังอยู่สองสามนาทีแล้วกระมังและทีแรกก็นึกว่าได้ยินอยู่คนเดียวเหมือนกัน นี่มันก็มาตรงกันเข้ากับสองคนเลยอยากจะรู้ว่าที่เราได้ยินและตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสามคนนะ่ะเป็นการได้ยินที่เหมือนกันหรือไม่เท่านั้นเอาละ่ะบอกมาสินอกจากได้ยินเสียงหัวเราอแล้วได้ยินอะไรอีกแกบอกมาก่อนดีกว่ากลางถ้าตรงกันฉันก็จะบอกทันทีว่าฉันก็ได้ยินเช่นนั้นถ้าไม่ตรงกันเราต่างฝ่ายต่างบอกกันคนละทีว่าใครได้ยินอย่างไรชายยานเกี่ยงบ้าง พอไหลลงเกิดอาการขนลุกอยู่เกลียวเกลียวครั้งแรกมันเป็นเสียงคล้ายๆหมาในหอนก่อนอนุชาพูดแล้วเมมริรฟีปากฟังต่อไปมันไม่ใช่เพราะกลายเป็นเสียงหัวเราะแปลกๆแกหบฮาวแกร่งคร่ารถูกต้องฉันก็ได้ยินอย่างนั้นต่อไปสิแล้วก็เป็นเสียงกูร้องตะโกนเรียบเหมือนดังมาจากขุมนรก มันเอ่ยเรียกขานนามประหลาดนามหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเป็นนามที่ประกอบขึ้นด้วยสามพยางนะเชษฐารีบเอ่ยขึ้นโดยเร็วเอาล่ะพี่จะเอ่ยเป็นพยางแรกขึ้นก่อนแล้วเรามาต่อกันทีละคนดูซิว่าเราจะได้ยินตรงกันไหมคำแรกขึ้นต้นว่าจิตอา้าวกลางต่อพยางสิถ้าเธอได้ยินต่อเพียงพยางที่สองเท่านั้น พยัญที่3าพี่จะให้ชายยันบอกเราจะได้รู้กันเลยว่าหูของเราไม่ปาดไปได้วยกันทั้งสาคนถ้างั้นพยาัญที่สองต่อจากพี่ใหญ่ที่ผมได้ยินคือก็คือตรงังพยาั์สุดท้ายของนามนี้ก็คือคนางชายยันร้องขึ้นอย่างระล่ำระละักรวมกันแล้วก็เป็นเสียงเรียกจิตตรังคนางถูกต้องไหม เชษฐาชีนาทั้งสองคนซึ่งก็รับเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นตื่นว่าใช่เป็นเสียงเรียกจิตตรางคนามันคืออะไรกันนี่ถ้างั้นเราสามคนได้ยินตรงกันแล้วและเข้าใจครั้งแรกว่าประสาทมันหลอนไปแต่ทําไมถึงมาตรงกันได้แบบนี้ไม่มีใครไอ้มันไตรแน่แต่มันกู่เรียกเรียกหาใครกันนี่ชื่อนี้มันน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงสจ้คนหนึ่งในยุคโบราณการ ชายยันอุทานลั่นออกมายัางลืมตัวแล้วเอื้อมือไปเขย่าแขนดารินแดงๆน้อยตื่นเถอะตื่นเร็วก็อย่างเคยนั่นแหละตื่นอยู่ก่อนแล้วตื่นก่อนทุกคนพร้อมคําตอบที่สันนิยงเหมือนคนไม่ได้หลับเลยดารินวราริศจับแขนชายยันเหนี่ยวดึงกายขึ้นมานั่งอีกคนหนึ่งควักบุรี่ออกมาจุดสูบและสบัดผมเธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า นอกจากเสียงน้ำตกที่แรงขึ้นกว่าปกติฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหลอนบอกพร้อมกับยักไหล่ยยิ้มครึมๆเราสามคนได้ยินเหมือนกันหมดมีเสียงโห่หอนแทรกมากับเสียงน้ำตกฟังแล้วไม่เป็นวงพลหูเลยมันขานนามประหลาดนามหนึ่งจิตรางคนางใช่ไหมฉันได้ยินพี่ใหญ่พี่กลางและเธอเล่นทายปัญหาอะไรกันกลางดึกนี่แล้วไร้าสาระหนะ่านอนกันเถอะลุกขึ้นมาทาไมก็ไม่รู้ นี่เธอไม่ประหลาดใจเลยหรือเราสามคนได้ยินเสียงประหลาดเหมือนกันหมดจิตประสาทที่คอยระแวงระวังอยู่ของคนเราบางขาะมันก็มาพ้องกันได้เหมือนกันนะโดยต่างฝ่ายต่างท่ายกระแสจิตส่งให้โตรให้แก่กันเกิดอาการที่ทางจิตเวชเรียกว่าไซโคนโริสประสาทหลอนหลอนบอกเรียบๆ เ, เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ยิ้มที่วีๆและเพื่อนเห็น เป็นยิ้มมีเล่นสนายเร้นลักอย่างไรชอบกลท่ามกลางเงาสลัวของแสงไฟในกองที่สานวับแวมเข้ามาลองปลุกลงอินขยินหรือลูกหาบขึ้นมาสักคนสิแล้วถามว่าได้ยินบ้าหรือเปล่าฉันรับรองได้ว่าจะไม่มีใครได้ยินอะไรเลยนอกจากเสนน้ำตกคลื่นๆอยู่นี่เท่านั้นมีเธอพี่ใหญ่และพี่กลางเท่านั้นที่คิดกันไปเองแล้วเกิดมาพร้อมกันได้ พี่ชายสองคนและเพื่อนอีกหนึ่งนั่งจ้องหน้าหลอนตะลึงดารินยังคงยิ้มลึกลับอยู่เช่นนั้น